ในการดําเนินชีวิตเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมคำนิยามของคําว่าประพฤติธรรมเนี่ยหรือคาว่าธรร ม, มะนี่หรือปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามีความเข้าใจยังไงทำมาประพฤติธรรมที่พวกเราบอกว่าเออเดี๋ยวไปปฏิบัติธรรมตรงโน้นตรงนี้กันตลอดใช่ไหมแล้วในนิยามโดยจะมักยม พาวินีเนี่ยก็จะถามเลยเรื่องว่าก็ไปปฏิบัติธรรมอยากจะวิจัดคอร์ดเข่งคัดเลยใช่ไหมอยากจะทําอย่างนั้นใช่ไหมล่ะที่จริงจะมีโครงการเนี่ยปีหน้าข้างบนเนี่ยเดี๋ยวต่อไปจะทําเป็นที่ปฏิบัติเพาะจะเป็นห้องห้องห้องห้อ ง, องใ่ไมเป็นห้องเรือนไทยแต่ก่อนเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์แต่ตอนนี้พระสงฆ์เหลือน้อยมากก็เลยตอนนี้ก็ซ่อมมาได้สองปีปีกว่าแล้วเกือบสองปีเลย ต่อไปก็จะทำเป็นที่ให้คนมาอยู่ปฏิบัติหลังจากปรับภูมิทัศน์ข้างนอกเสร็จแล้วก็จะจัดเดือนละครั้งครั้งหนึ่งอาจจะประมาณห้าวันเป็นอย่างต่ำอะไรเงี้ยนก็กำลังจะดูว่าจะแต่ก็มีเริ่มพอบอกบอกไปก็เริ่มมีคนจองจองมาแล้วคอร์สแรกก็ละใ ก็ยังยังไม่มีคนแจ้งตรงนั้ น, านชายก็กะว่าเดิมก็<ส>จะทาเป็นที่ให้ปฏิบัติได้ฟังธทมได้ปฏิบัติทมได้อยู่กับตนเองแล้วก็แล้วแต่นะ่มีที่เดินจงกรมข้างหน้าเป็นแม่น้ำมองน้ำไปก็ชื่นใจเครียดหน่อยก็ไปโยนอาหารให้ปลานิดนึ้ง <laughs> โอ้ยสบยายอากาศดีมากไม่ต้องอยู่ในห้องแอร์ไม่ต้องอยู่ในห้องแอร์ไ ม, ออออรไม่มีแอร์ให้ให้อยู่ธรรมชาติจริงๆเพราะว่าหนึ่งมีน้ำสองมีลมพัดเย็นเฉยๆสมก็คือว่าพอดีห้องด้านนี้ปิดทั้งหมดก็ไม่ได้ยินเสียงรถไม่ได้ยินเสียงรถแล้วก็ข้างหน้าเดี๋ยวก็จะจัดเป็นโซนปลูกต้นไม้ให้เต็ม แล้วก็จะทำเป็นที่เดิน yeah. เดินตอนเย็นๆออกมาเดินบูชาต้นโพเข้าไปที่อุโบสถแล้วก็เข้าไปที่วิหารเป็นพระเก่าแล้วมีพระเจดีย์กำลังอยบูรณนะพระเจดีย์ด้านหลังทำเป็นที่เดินจงกรมบูชาถ้าเย็นๆนะเย็น ๆ, ๆก็มาเดินมาบูชาเป็นการเดินจงกรมด้วยแล้วก็อยู่ในบรรยากาศที่ดีด้วยแล้วก็กลับขึ้นไปก็ ฟังทมกันก่อนจะพักอะไรก็ว่ากันบใช่งั้นต่อไปจะเป็นที่ปฏิบัติแล้วก็จะมีพระพาฟังรมวัดสวดมนต์แล้วก็มีการสอบอารมณ์ <c oughs> <c oughs> จะอธิบายคํานี้ให้ฟังจะอธิบายให้ฟังว่าในคําว่าธรรมะเนี่ยนะแปลได้ทั้งสิบความหมายเนี่ ย, ยะนะคว่าธรรมะเนี่ยถ้าพูดไปเป็นภาษาพระเราก็จะไม่เข้าใจเช่นเป็นสภาวะที่ทรงไว้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเป็นสัจธรรมเป็นคุณธรรมเป็นต้นเนี่ยมีเยอะมากในคำว่าธรรมะศัพท์เนี่ย คำว่าสภาวะที่ทรงไว้ก็หมายถึงทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนใช่ไหมคําว่าธรรมะสภาวะธรรมนี่แต่มันแปลอยู่ความหมายหนึ่งธรรมะเนี่ยภาษาของพรานแปลว่าแปลว่าหน้าที่แปลว่าหน้าที่พราะแปลว่าหน้าที่เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยหน้าที่ก็คือธรรมะธรรมะก็คือหน้าที่มันมีหนึ่งในความหมายของคําว่าธรรมะในสิบความหมายนั้นประเด็นมันอยู่ตรงไหนประเด็นอยู่ตรงที่ว่า ถามว่าการทำหน้าที่ของพวกเราเนี่ยมันทำตลอดไหมตลอดเลยใช่หไหมกิจกรรมของชีวิตหรือหน้าที่เช่นตื่นขึ้นมาเราต้องเข้าห้องน้ำเราต้องถ่ายอุจจาระปัสสาวะเราต้องอาบน้ำเราต้องแต่งหน้าเราต้องนุ่งเสื้อผ้าเราต้องกินอาหารเราต้องทำกิจกรรมต่างๆมากมายถูบ้านเก็บบ้านกวาดบ้านซักเสื้อผ้า แล้วก็ไปทำกิจกรรมอะไรก็ว่าไปอันนี้ใช่หน้าที่ไหม ใ, ในหน้าที่ทีนี้ไอ้นหน้าที่ที่มันจะไปตรงกับคำว่าธรรมะธรรมะคือหน้าที่ต้องไปทำยังไงทำความเข้าใจยางไงคือในขณะที่ทำนั้นนะ่ะมันรู้สึกว่าใจอยู่กับกิจจิจอยู่กับงานนั้นแล้วมันเกิดความสุขในขณะที่ทำถ้าในขณะที่อาบน้ำเนะยถ้าเรา มัคิดเรื่องอื่นไปเรื่อยๆใจมันก็ไปมองเรื่องอื่นวิตกกังวลบ้างรีบร้อนบ้างอันนั้นแปลว่าไม่ได้ทำหน้าที่ให้ดีถ้าทำหน้าที่ให้ดีก็คือว่าตอนนั้นก็คือมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรที่สร้างสรรในกรณีอย่งการที่กำลังอาบน้ำถูขี้ไคแล้วมันมีความสุขกับการทำมันได้ความสุขใจในการที่เราจะปรับเปลี่ยน ทำกระแสะชีวิตของเราให้สะอาดสะอ้านและจะได้มีความมีความสุขมันก็เกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นในขณะที่ขับถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะในขณะนั้นน่ยมันมีความสุขไม่ได้รีบร้อนไม่ได้รีบเร่งมีสติสัพพัญญาในการทำหน้าที่เพื่อจะทำให้ขจัดโรคภัยไข้เจ็บถ้าเราขับถ่ายไม่ดีขับถ่ายไม่หมด หรือรีบร้อนหรือเป็นการที่รีบเร่งเกินไปก็เป็นผลเสียต่อกระแสชีวิตแลร่างกายก็เลยทําหน้าที่ให้ดีที่สุดในขณะที่ทํานั้นนั้นไม่ได้รีบเร่งไม่ได้รีบร้อนไม่ได้วิตกกังวลใดๆมีสติสัมปชัญญะมีความเพียรที่สร้างสรรค์นในการกระทํานั้นๆนี่เขาเรียกว่าธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะนั้นในขณะที่มากินอาหารก็มีความสุขกับการกินที่จะนําสิ่งดีๆเข้าสู่ในร่างกาย เพื่อจะทําให้กระแสชีวิตนี้มีความแข็งแรงมั่นคงจะได้มีเกิดโครคภัยไข้เจ็บร่างกายแข็งแรงและจะได้เป็นปัจจัยโดยการที่จะทํากิจกรรมทั้งหลายในการดําเนินชีวิตที่เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยดีงามเป็นต้นอันนี้ก็คือเห็นไหมหน้าที่ในขณะที่เราจะอ่านหนังสือก็ไม่เก็บวูบวาผู้บากผูนั้นก็อ่านเพื่ออะไรเพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้สติสัมปชัญญะก็เกิดขึ้นก็เกิดความสุขสมณนัตในขณะนั้น เห็นไหมธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะมันเป็นอันเดียวกันแต่ถ้าคนบางคนเวลาทําหน้าที่หรือไปขายของจิตก็ร้อนลนกระวน ก, ว, นกวายทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นแปลว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมะจริงถ้าปฏิบัติธรรมะว่าเอาและเราจะทําหน้าที่ในการขายเราจะนําสิ่งดีๆทําสิ่งดีๆทําสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่ศักยภาพเราจะทําได้มีสติสัพชัญญาการคิดค่าสร้างสรรค์ นำสิ่งดีๆให้กับลูกค้าให้เขาได้คุณภาพชีวิตที่ดีได้สิ่งที่ดีได้รสชาติที่ดีได้อาหารที่ดีได้สิ่งที่ประเสริฐได้สิ่งที่เลิศเขาจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อได้คุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็จะได้ดําเนินชีวิตเป็นไปในความเรียบร้อยดีงามเป็นต้นสติสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นจากการกระทําหน้าที่ตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิพฤติธรรมหรือทําหน้าที่กับธรรมะมันเป็นอันเดียวกัน เห็นไหมมันไม่มีความวิตกกังวล ใ, ใดๆมาก้มรุมไม่มีความกำหนัดไม่มีความขัดเคืองไม่มีความมัวเมาลุ่มหลงมาก้มรุมในใจใจก็เป็นไปได้วยความปลอดโปร่งโล่งสบายในการกระทำแม้แต่ขับรถโอ้ก็มีความสุขกันการทำหน้าที่นั้นและในขณะเดียวกันสติสมัมปชัญญะก็เกิดขึ้นเราจะทำให้ความปลอดภัยเกิดขึ้นแก่ตนเองและบุคคลอื่นบุคคลอื่นที่โดยสารมาด้วยก็ปลอดภัยคนที่อยู่ขับรถ สวนกันไปสวนกันมาเขาก็ปลอดภัยคนที่เดินตามถนนก็ปลอดภัยเราไม่จะเราจะไม่เบียดเบียนกระแสชีวิตของบุคคลอื่นนี่เป็นต้นการทําหน้าที่ในลักษณะนี้นการประพฤติทธรรมมันเป็นแบบนี้เห็นไหมในะการประพฤติทธรรมในความหมายกัน10บอย่างคําว่าธรรมะ น, นี่นี่หมายถึงการกระทําหน้าที่ด้วยสติสัมปชัญญะที่แท้จริงซักผ้าทํากิจกรรมทั้งหลายชาวนาไปทํานาแม่ค้าไปค้าขายข้าราชการก็ไป ทำงานคนทำงานตามออฟฟิศก็เข้าออฟฟิศคนทำงานบริษัทก็ไปบริษัทถ้าทำหน้าที่ด้วยสติสัพชัญญะด้วยความเพียรที่สร้างสรรด้วยความเชื่อมั่นด้วยสมาธิที่ตั้งมั่นด้วยความรู้ความเข้าใจลักษณะนั้นใครเรียกว่าหน้าที่กับธรรมะมันเป็นอันเดียวกันมันแมทเข้าหากันมันเป็นเรื่องเดียวกันถามว่าการปฏิบัติธรรมมันเป็นแบบนี้ในะโดยโด ย, โดยข้อเท็จจริงแต่ก่อนเป็นแบบนี้เลยสมัยครั้งพัฏฏการการปฏิบัติธรรมมันเป็นแบบนี้ เลาจบอว่าธรรมะคือสภาวะที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนธรรมะคือธรรมดาธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือสัจธรรมธรรมะคือคุณธรรมจริยธรรมธรรมะคือคือเหตุธรรมะคือต้นเหตุอะไรก็แล้วแต่อีกความหมายหนึ่งคือธรรมะคือหน้าที่ก็คือกิจกรรมของชีวิตในการดําเนินไปทีนี้การที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือไม่ก็ต้องดูว่าในขณะที่เรากําลังดําเนินชีวิตเนี่ยมันเป็นการ ได้สุขสมอนัตได้ความสบายได้สุขเกิดขึ้นจากการกระทำหน้าที่นั้นไหมถ้ามันไม่ได้ไม่เรียกว่าเป็นการปฏิบททัติธรรมดั้นการปฏิบัติธรรมโดยเนื้อตัวมันจริงๆเนี่ยคือตัวนี้คือหน้าที่แล้วประพฤติหน้าที่นั้นด้วยความสุขด้วยความปราโมดปีติปสัสสติสุขสมาธิมันเกิดขึ้นตัวกิจกรรมหรือตัวหน้าที่ที่กําลังทําเข้าไปเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันเลยกับว่าธรรมะกับหน้าที่หน้าทีก่กระทำมันเป็นความหมายเดียวกันเขาเรียกประพฤติธรรม ก็คือการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขด้วยความสดชื่นด้วยความโปร่งโล่งเบาด้วยการมีสติก็ว่าดจะเรียกว่าสติก็ได้คือการระลึกตามระลึกจะเรียกสมาธิก็ได้คือความตั้งมั่นในขณะธรรมจะเรียกความเชื่อมั่นก็ได้โอ้โเกิดความจิตผ่องใสในขณะที่ทํานั้นจะเรียกว่าความตั้งมั่นแห่งจิตก็คือจดจ่อในเรื่องนั้นจะเรียกรู้และเข้าใจในขณะที่ทําลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าพุทธธรรมก็คือปฏิบัติหน้าที่ สมัยครั้งพุทธกาลไม่มีการจัดคอร์สไม่มีการเข้ามาปิดวาจาปิดไรต่างๆไม่มีมีการฟังเข้าใจก็ปฏิบัติหน้าที่แล้วเขาก็มีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่นั้นนนี่เป็นแบบนี้เลยเพราะเราลองคิดดูเลยจำนวนประชากรในสาวัตถีอ่ะเจ็ดสิบล้านเนี่ยในเจ็ดสิบล้านเนี่ยจะมีวัดที่ไหนรองรับมีวัดเชตวันวัดปุภารามเป็นต้นเหล่านี้ วัดโคสิตาลามก็ไม่ได้เยอะอะไรเลยแถบนั้นใช่ไหมไม่ได้มากอะไรเลยแต่ว่าทุกคนมาฟังมาเรียนรู้ไปเสร็จแล้วเข้าใจแล้วก็ไปปฏิบัติหน้าที่เพราะก็ถือว่าการทําหน้าที่นะี่ก็คือการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมกับหน้าที่มันเป็นอันเดียวกันเขาสามารถแมทให้เป็นเรื่องเดียวกันได้นี่เป็นอย่างนั้นทีนี้ในขณะที่เรากวาดปัดเช็ดถูแล้วก็วิตกกางวลเล่าร้อนเกิดกําหนัดขัดเครื่อง นี่เขาเรียกไม่ได้ทำหน้าที่ให้ถูกต้องเรียกว่าไม่ปฏิบททัติธรรมใช่ไหมพูดคุยสนทนากันกับเพื่อนเดี๋ยวโกรธบ้างเดี๋ยวกํากหนัดบ้างเดี๋ยวฟุ้งซ่านบ้างนี่เขาเรียกว่าไม่ได้ทำหน้าที่ไม่ได้ปฏิบททัติธรรมถ้าปฏิบัติธรรมก็จะเป็นพูดเป็นเหตุเป็นผลพูดโดยกุศ ล, ลจิตมีเจตนาจะพูดคาที่เหมาะที่ควรแล้วก็มีตัดเวรเจตนา ตัดรอนเจตนาชั่วร้ายที่เป็นเหตุแห่งการพูดเท็จได้เวรเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการพูดส่อเสียดได้เวรเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการพูดคำหยาบได้เวรเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการพูดเยอะเพ้อเจ้อได้ตัดตรอนบาปเหล่านี้ออกได้จริงแล้วก็ใจและคําพูดก็เลยเป็นคําพูดที่ดีมีเหตุผลพูดคําจริงคําเป็นประโยชน์มีเมตตาเกิดก่อนแล้วก็ผกคําพูดออกมามีกรุลนาเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ผกคําพูดออกมา มีมุทิตาเกิดก่อนก็ผักคำพูดออกมาเขาเลยเรียกว่าประพฤติธรรมหรือทำหน้าที่มันอันเดียวกันเลยมันเป็นแบบนี้ในะการปฏิบัติธรรมะมันคือการทำหน้าที่ที่เป็นไปโดยธรรมแล้วมันเป็นเนื้อเป็นตัวแบบนี้นั่นแหะคือทุกอย่างทุกที่ที่ไปเกี่ยวข้องมันก็เลยกลายเป็นอะไรเป็นเวทีทดสอบความสามารถเป็นที่ฝึกเราไปร้านค้าไปขายของก็เป็นข้อฝึกเลย แล้วจะฝึกเราให้เข้าถึงธรรมะมันเลยกลายเป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตจริงๆได้จริงๆแต่ก่อนมันเป็นแบบนี้นะเรื่องเรื่องการปฏิบัติธรรมใช่ใช่ก็ก็เขาประเทศเขาว่างใหญ่ยอยู่แล้ว อินเดียอินเดียก็กว้างเนี้ยก็คิดดูนะว่าที่ปัจจุบันเนี่ยที่เอาเอาอย่างนี้นะว่าแฟนพิหารเนี่ยสถานที่ตัสรุภูริเจ้าเนี่ยมีประชากรเจ็ดสิบกว่าล้านนรัฐเดียวของเขาจังหวัดเดียวของเขาเนี่ยอุตรประเทศเนี่ยมีประชากรร้อยหกสิบล้านถึงสองร้อยล้านไ ม, ไม่ไม่ได้แปลกใช่ของเขาเยอะเยอะอยู่แล้วแต่ก่อนสมัยก่อนเยอะกว่านี้ ปัจจุบันน้อยคือภูมิศาสตร์ทั้งหลายเหล่านี้มันก็บิดก็เปลี่ยนตัวไปตามโคงตั้งต้องนึกอย่างนี้ว่าเวลาคนมีบุญก็ามาเกิดกับคนมีบุญพระธิดาบำเพ็ญบารมีมายี่สิบประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหมากับบุคคลเหล่านี้ก็บำเพ็ญบารมีไปเพื่อต้องการจะตัดสู้เขาต้องไหลมาเกิดรูปยุคนั้นกันเลยมากันลื่นลื่ลืื่ตเต็มไปหมดพระเอิญไม่ใช่เราเท่านั้นเอง ก็อันนั้นก็ว่ากันดีทคีคือก็ให้เข้าใจไงว่าจริงๆอย่าลืมนะว่าถ้าในยุคนั้นเน่เป็นยุคระดับพระบรมศาสด า, า, ามาเองแล้วก็ระดับมหาสาวกเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นองค์ขับเคลื่อนเป็นผู้ขับเคลื่อนวัตถรมันจะมีพลังมากทั้งเกตุตอนนะผ่านไปร้อยปีสองร้ยปีสา0รอปีเริ่มค่อยๆหดตัวลงพอประมาณสักเริ่มเป็นพันหรือเป็น พันเจ็ดร้อยปีเนี่ยเริ่มเพี้ยนแล้วการปฏิบัติพันสามตั้งแต่พันสองมาพันสองรอปีพันสารอปีเริ่มพันปีมาเริ่มแล้วยุคที่นาลันทาเริ่มลุ่งเรืองตอนนั้นก็เพี้ยนแล้วอันนั้นเป็นมหญญายานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราที่นาลันทาเริ่มเริ่มพันปีมาเนี่ยเพี้ยนแล้วนเนี่ยเข้ามาศึกษาวิชาการต่างๆวิชาการทั้งโลกเริ่มเยอะแยะหมดแล้ววัดวารามต่างๆก็เริ่ม ปฏิบัติกันเพียร น, นก็เยอะรัติิก็มากเริ่มแตกออกเป็นี่กรุงนิกายกันเพียบเพราะโดยเฉพาะเทระว่าก็แตกไปสิบแนีกายมหายานแตกอีกสี่ห้าหกใหญ่ๆทั้งนั้นแตกออกไปโอ้โหสรารพัดหมดใช่ไหมแล้วก็เริ่มเพี้ยนเริ่มต่อสู้กันจากการที่พุทธศาสนาไม่มีสิ่งเคารพก็เริ่มมีสิ่งเคารพพอลีมหายานมาก็เริ่มเลยแต่นี้เริ่มเอาเอาโลติเกสวนมาแล้ววัชระปานีมันชุดสีมันชุดสามาตามลําดับมาแข่งกับใคร มาแข่งกับศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูไปไปมาทุกคนก็เลยแยกไม่ออกแยกไม่ออกระหว่างพราหมณ์ฮินดูกับพุทธแยกไม่ออกอ้อนวอนเหมือนกันเอาเลยสิแต่เนี้ยไปไปมาก็นําสู่ความเสือ่อมและนักเข้านักบวชนี่แหละก็เริ่มเพี้ยนปฏิบัติเพี้ยนใช่ไหมเริ่มไม่เข้าใจพุทธทะที่แท้จริงก็ไม่แปลกอันนี้จะได้เห็นว่าจริงๆก็คือว่ากลัวจะมาชําระ มาบ้านเราเนี่ยไม่ต้องพูดถึงฉะนั้นอย่าแปลกใจว่าทําไมเราจึงมีความเข้าใจคําว่าปฏิบัติธรรมคือต้องมาอยู่วัดแล้วต้องมาอยู่ในคอร์สแล้วเรามีความเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมก็คือมาเก็บตัวอยู่อย่างเนี้ยเราไปเข้าใจกันแบบนี้ได้ยังไงทั้งๆปฏิบัติธรรมก็คือการก็คือหน้าที่การทําหน้าที่ด้วยความเชื่อมั่นการทําหน้าที่ด้วยจิตที่ผ่องใสจิตที่เอิบอินอ่อง เอียเอ่ยมอ่อนบองแผ้วจิตที่มีความแกล้งกล้าไหด้วยมีสติกํากับอยู่ด้วยความตั้งมั่นแห่งจิตและได้ปัญญารู้และเข้าใจในการกระทําหน้าที่นั้นๆเขาเรียกปฏิบัติธรรมก็คือหน้าที่กระทำมามันเป็นอันเดียวกันแล้วมันมีความสุขจริงๆนะหนูลองไปทํากันดูดิลองไปล้างจานแล้วลองมีสติสัมปชัญญะมีความสุขจากการได้ทําไม่ฟัน่นเฟือนเลือนหลงลองไปทําดยที่ทาเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ด้วย สุขสมมานมันเกิดขึ้นเดียวนั้นเลยสวรรค์มันเกิดขึ้นในนั้นในใจเกิดขึ้นจริงๆมันขจัดความเครียดความกัดกรุ้มได้จริงด้วยมาไปทําเดี๋ยวนี้ก็ได้เหมือนหนูกำลังฟังธรรมะอยู่อย่างเงี้ยกำลังนั่งสนทนาอยู่อย่างเีน้นั่งฟังลองมีสติสัมปชัญญะกํากับในการฟังอยู่เนี่ยเนี่ยทำหน้าที่จะเป็นผู้ฟังด้วยการขจัดความความกําหนัดออกไปความขัดเคืองออกไปความหดวถูท่อถอยออกไปความฟุ้งซ่านลาคาญใจออกไปแล้วก็ความไม่รู้ ไม่เข้าใจหายไปก็เหลือแต่สติสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นมีความเพียรที่สร้างสรรค์เกิดขึ้นมีความเชื่อมั่นเกิดขึ้นในขณะที่ฟังสติก็ดำเนินไปในขณะที่ฟังนี้แล้วก็เกิดขึ้นอย่างติดต่อและต่อเนื่องสุขสมาณะเกิดไหมไอ้สุขสมาณะเกิดขึ้นอย่างนี้ก็เรียกว่าลังทําหน้าที่ของผู้ฟังไอ้ทาหน้าที่ของผู้ฟังก็เรียกปฏิบัติธรรมผู้พูดก็ต้องทําหน้าที่ของผู้พูดเอาว่าธรรมที่แท้จริงของพระพุทธเจ้ามาบอกมากล่าวมาแนะนํา เพื่อให้ผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจได้เกิดความรู้แล้วก็ผู้พูดก็ได้ปฏิบัติธรรมะเปในตัวด้วยสติสัมปชัญญะก็เกิดความเพียรที่สร้างสรรค์ก็เกิดความเชื่อมั่นก็เกิดความตั้งมั่นแห่งจิตก็เกิดปัญญารู้และเข้าใจในขณะที่พูดเปล่งวาจาที่ดีงามออกไปก็เกิดขึ้นต่างฝ่ายต่างก็ปฏิบัติหน้าที่ ก, กันทําหน้าที่ ก, กันก็เรียกปฏิบัติธรรมมองเห็นยังนี่เป็นอย่างนี้นั้นทุกอย่างมันเป็นการปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลาเลยถ้าเข้าใจคําว่า หน้าที่หรือการปฏิบัติธรรมะมันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นบริบทเดียวกันมันเป็นถ้าทำให้เป็นเนื้อเป็นตัวขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลาแล้วก็จะเป็นคนที่รอบครอบรู้ด้วยนะว่าในขณนไที่นั่งนี้วางท่าทีทางใจยังไงจิตใจเอิบอิ่มยังไงผ่องแผ่อย่างไงสุขสมณะเกิดขึ้นยังไงอย่างเงี้ยเรียกปฏิบัติธรรมะได้ยังจะให้บาปไม่เกิด เความกำหนัดไม่เกิดความขัดเคืองไม่เกิดโถดหูไม่เกิดแล้วเพราะทำไมถึงไม่เกิดสติสมัญญะเกิดสติก็คือการการจับประเด็นหรือว่าจับเรื่องที่กำลังพูดนี้อยู่แล้วก็ตรึงเรื่องนี้ไว้แล้วก็ไม่ปล่อยจิตให้หลุดไปทางอื่นแล้วก็เกิดความตั้งมั่นในขณะที่ฟังแล้วก็ฟังให้เกิดความรู้ความเข้าใจในขณะนั้นจิตมันก็สะอาดขึ้นมันก็พองใสขึ้น ผู้ฟังกําลังทําหน้าที่ในการฟังเรียกว่าปฏิบัติธรรมผู้พู ด, พดกําลังพูดตามเนื้อหาอย่งธรรมะก็เรียกปฏิบัติธรรมก็เรียกทําทหน้าที่มันเลยกลายเป็นหน้าที่ในความหมายในสิบวความหมายในคาําว่าธรรมะนะั้นการประพฤติธรรมการปฏิบัติธรรมเป็นไปลักษณะแบบนี้เอาไปฝึกดูสิเนี่ยไปกวาดนะเวลาหนูไปกวาดบ้านกันไปกวาดในขณะที่กวาดเนี่ยเออรู้สึกว่าเออเรากําลังประพฤติธรรม หนูใส่ความรู้สึกไปเนเราเราจะประพฤติ ธ, ธรรมคือเรากําลังจะทําหน้าที่ในการเป็นผู้กวาดด้วยการมีสติสัมปชัญญะในการกวาดนี่แหละมีความเพียรที่สร้างสรรค์นี่แหละในการขณะกวาดนี่แหละมีสมาธิจดจ่อในการกระทํานั้นรู้เข้าใจว่าจะทํำยังไงให้มันดีในขณะนั้นแล้วก็รู้ว่านี้กําลังประพฤติ ธ, ธรรมถ้าลองใส่ใจลงไปอย่างนี้ปุ๊บขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็จะเข้าใจเต็มทีว่าอ๋อแต่ก่อนมันเป็นแบบนี้คําว่าประพฤติ ธ, ธรรมมันไม่ใช่ว่าในเข้ามาในโบสถ์ อ่าหนูเข้าไปในโบสถ์ปุ๊บมีเซียมซีเป็นขย่อลตึงต้งตึงต้งๆๆๆๆๆึมีการมีไหมมีประพฤติธรรมไหมไมนไม่มีเลยนะมีแต่ความหลงความไม่รู้ความไม่เข้าใจเกิดขึ้นในโบสถ์ยังไม่มีการประพฤติธรรมเลยกันต่อนหน้าพุทธเจ้าองค์ใหญ่โตขนาดนั้นใช่ไหมบางคนมาถึงปุ๊บก็ร้องขออยู่นั่นแหละขออะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะร้องขอรอผลดลบนนันดาลนั่นไม่เรียกไม่ได้ทําหน้าที่ของความเป็นพุทธบริษัทที่ดี ถ้าเป็นหน้าที่ในหน้าที่พุทธบริษัทที่ดีมากราบพระนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงใชตัดสรูปชอบได้โดยพระองค์เองข้าพเจ้าอภิวาสพระผู้มีพระภาคยา่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยังไม่กราบลงไปใช่ไหมนี่แปลว่าอะไรเนี่ยอ๋อเนี่ยเรามาปฏิญญาณความมั่นใจว่าเชื่อมั่นในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์บวชจดจากกิเลสและกองทุก แล้วข้าพเจ้าอภิวาทก็คือการกราบการไหว้แปลว่าข้าพเจ้าก็จะฝึกตนเองจากมนุษย์ธรรมดาเข้าถึงความเป็นพุท ธ, ธะตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้จงได้กราบลงไปอย่างเนี้ยนี่เขาเลยไปทําหน้าที่อย่างนี้ชัดนี่มันเข้าใจนี่อันนี้ก็ ป, ปฏิบัติธรรมมันไม่ได้มีความหลงเข้ามามาครอบงาำจิตไม่ได้มีความขัดเคืองมาครอบงำจิตไม่ได้มีความโรค อยากจะร้องขอรอผลดนบรรดาลทั้งหลายเหล่านี้ม า, มาครอบงำจิตเลยตรงนั้นเกิดความรู้เกิดความเข้าใจในการกราบแล้วในการปฏิญญาณตนเองในฐานะเป็นพุทธบริษัทที่ดีนี่เขาเรียกว่าทําหน้าที่มองเห็นนี่ยังนี่ไหมความความความเข้าไปเป็นอุบาสิกาความเข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยมันเข้าใกล้ด้วยความรู้ความเข้าใจแบบนี้นี่ก็เรียกว่าหน้าที่ใช่ไหมละ่ะ ถ้าไม่เข้าใจคําว่าประพฤติธรรมกับคําว่าหน้าที่มันเป็นเรื่องเดียวกันอย่างเงี้ยจบเลออยางานันเนี่ยแล้วก็ไปด้วยความหลงความงมงายทันทีเลย ท, ทีนี้ทีนี้ให้สังเกตตัวเนี้ยว่าไอ้ตัวคําว่าประพฤติธรรมในที่นั้นมันเป็นชื่อของความเป็นชื่อของกุศลเป็นชื่อของความเชื่อมั่นเขาเรียกภาษาพระเรียกว่าศรัทธาแต่เราจะพูดกันหรือไม่กันนั้นเองไอ้จิต ท, ที่ว่าปลอดโปร่งโล่งเบาเอื้อสบาย สุขสมหน้าที่มันเกิดขึ้นไม่เครียดไม่ก้มทั้งหลายเกิดขึ้นนั่นแหละก็เรียกว่าธรรมะมันเกิดขึ้นมันจากการทำหน้าที่เอากิจกรรมคือการกระทำนั้นเนี่ยเป็นเป็นตัวฝึกทำให้เข้าถึงเข้าถึงหน้าที่นั้นๆที่ถูกต้องดีงามก็เลยกลายเป็นประพฤติ ธ, ธรรมนั่นแหละเขาเรียกประพฤติ ธ, ธรรมบอกว่าเรากำลังประพฤติ ธ, ธรรมก็คือทาใจเราให้เข้าถึงศรัทธาเชื่อมั่น เอาไปขายของเนี่ยหนูไปขายกาแฟไปขายอาหารเนี่ยมันไปทําอะไรเนี่ยไปทําหน้าที่ใช้อะไรอก็ใช้ความเชื่อเชื่อมั่นว่าอาหารนี้กาแฟานี้สิ่งที่เราคิดค้นนี้เป็นสิ่งที่ดีจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและบุคคลอื่นเป็นต้นเขาจะได้อาหารที่ดีได้กาแฟที่ดีได้สิ่งที่ดีเข้าสู่ร่างกายเขา ก็เกิดความแกล้าเกิดมีสติในการที่จะระลึกในการที่จับประเด็นใช่ไหมดึงข้อมูลมาวิจัยแยกแยะจะทําอย่างไรที่จะทําให้ได้คุณภาพได้อาหารที่ดีคุณภาพที่ดีสิ่งปรุงแต่งสารอาหารที่ดีทั้งหลายเหล่านี้เพื่อ <c oughs> ให้เขาที่ได้มาดื่มมากินทั้งหลายได้คุณภาพชีวิตที่ดีเป็นต้นเนี่ยสุขสมานัดมันก็เกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆกระทําหน้าที่นั้นๆนี่เขาเรียกว่าประพฤติธรรม มันก็เลยเป็นเรื่องการทำหน้าที่เวลาไปคุยกับลูกค้าโอ้แต่นี้ได้เลยประพฤติธรรมตอนไหนตอนที่ใจเรามีเมตตาเกิดความรักปรารถนาดีเอื้ออารกับเขาพอเกิดความรักปรารถนาดีเอื้ออารก็มีใจเอื้ออาธรกับเขาก็เลยใช้เมตตาเป็นตัวผักแล้วก็พูดด้วยเมตตาเขาเรียกเมตตาวิจีกรรมประพฤติทําหรือยังทาหน้าที่หรื อ, อยังอันเดียวกันไห อันเดียวกันเลยไม่ประพฤติทำด้วยทำหน้าที่ด้วยทำหน้าที่ด้วยเมตตาไอตัวเมตตาเป็นตัวธรรมะตัวทำหน้าที่ก็เลยเรียกประพฤติทำกับเมตตาไอเมื่อประพฤติทำกับการหน้าที่มันเลยเป็นอันเดียวกันอ้าวเห็นเขาประสบความทุกข์ปรารถนาอยากจะเกลื้อกูลเขาขวนขวายเขาพ้นจากทุกข์นั้นก็เลยมีกรุณาจิตเกิดขึ้นพอกรุณาจิตเกิดขึ้นขึ้นมาก็ผลักให้พูดด้วยกรุณา พูดด้วยความเข้าใจเขาเห็นใจเขาชี้ทางออกให้เขาอันนี้ทําหนาทียังกรุณาเกิดในใจหรือ ย, ยังเป็นปฏิพิษธรรมหรือ ย, ยังประพิแล้วนี่ไงปฏิบัติธรรมะแล้วใช่ไหมเห็นเขาได้ดีมีสุขเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นประสบความสำเร็จในชีวิตเราก็อนุโมทนากับเขายินดีด้วยพอยินดีด้วยก็พูดบอกว่ายินดีด้วยนะ ที่ตอนนี้คุณภาพชีวิตดีสถานการณ์บ้านเมืองดีครอบครัวอยู่ดีมีสุขลูกก็อยู่ในอาววาวาสโอ้เป็นบุญของเธอนะโมทนานทนรุ่นปพฤติทำไรยังนี่ไงทำหน้าที่หรือยังทำหน้าที่ในฐานะเป็นเพื่อนทำหน้าที่ในฐานะเป็นแม่ทำหน้าที่ในฐานะเป็นลูกทำหน้าที่ในฐานะเป็นพี่เป็นน้องก็ว่าไป ทำหน้าที่ในฐานะเป็นพุทธบริษัทที่ดีแล้วใจก็เป็นไปด้วยความเอืบอิ่มของแพ้วเป็นต้นด้วยในขณะที่ทําหน้าที่นั้นเขาเรียกว่าอะไรประพฤติ ธ, ธรรมเห็นไหมนี่เราไปจํากัดว่าประพฤติ ธ, ธรรมคือต้องมานั่งหลีกเล้นอยู่คนเดียวแล้วก็มานั่งหลับตาดิมันมันใช่ชีวิตจริงไหมมันใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดต่อว่าเชิงลึกเนะี่ยว่าอีกที เข้าใจที่เจตพูดต่อคือคืออย่างนี้ มันมันช้าและก็เวลามันหาได้ยากแต่ความจริงของชีวิตของหนูก็คือมันต้องอาบน้ำมันต้องกินข้าวมันต้องใส่เสื้อผ้ามันต้องแต่งตัวมันต้องดิวงานกับผู้คนมันต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนมันต้องนี่ไงมันก็ทำหน้าที่อยู่แล้ว แต่มันทำหน้าที่ที่ไม่ถูกทำมันไม่เป็นธรรมมันก็เลยเียไม่เรียกว่าประพฤติธรรมมันทำอยู่แล้วแม้มาอยู่วัดหรือมาอยู่ที่ปฏิบัตินันก็มาทำหน้าที่เหมือนกันนั่นแหละถามว่ามาอยู่วัดต้องขับถ่ายไหมก็ต้องขับถ่ายอย่ในด้านของชีวิตวุจิรัตปัสวะต้องมาใส่เสื้อผ้าไหม ต้องมายืนไหมต้องมาเดินไหมต้องมานั่งไหมต้องมานอนไหมต้องมาคู่เข้าเหเียดออกแลตรงแล่เหลียวกินดื่มเขียวลิ้มถ่ายอุจจาระปัสสาวะยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งไปอยู่ที่ไหนไอ้กิจกรรมของชีวิตตรงนี้มันก็ต้องมาทาหน้าที่ตรงนี้เหมือนกันหมดเลยแต่มันขาดความเข้าใจว่าหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่มันขาดตรงนี้ถ้าจะมาวัดไม่เป็นไรก็ขอให้มาฟังให้เข้าใจ พอเข้าใจแล้วมันจะได้ปฏิบัติธรรมะหรือปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกถ้าอย่างนี้ชัดแต่ถ้ามาแล้วไม่ได้ถูกอธิบายความแบบนี้เลยแล้วก็มาอยู่จำกัดแล้วก็เอาระเบียบกฎเกณฑ์กติกาไปตั้งเขาไว้แล้วไปครอบงำปุ๊บเข้าไว้มาถึงก็ระเบียบ ตื่นกี่โมงทำวัดกี่โมงสวดมนต์กี่โมงนั่งกรรมฐานนั่งนิ่งๆกี่โมงได้เรียกว่านั่งกรรมฐานไอ้นั่งนิ่งๆเนี่ยเขาเรียกว่านั่งกรรมฐานใช่ไหมล่ะไอคนเป็นอามบาษวนะ่มันขยับไม่ได้มันนี่ทำกรรมฐานทวันหรือเนียมันไม่ใช่ไงที่จะพูดให้ฟังคือว่าจะเอาแบบสมาธิโดยรูปแบบหรือสมาธิโดยสาระ ถ้าโดยรูปแบบให้นั่งเท้าวขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้ตั้งมัน่นใช่ไหมแล้วก็ดูลมบ้างกันเะทำได้บ้างไม่ได้บ้างนี่รูปแบบเนี่ย น, นั่งตัวตรงเป๊ะเลยนี่โดยรูปแบบสมาี่โดยรูปแบบก็ทําทแบบนี้แหละถ้าถ้าโดยสาระคือเวลาเราต้องการอยากจะให้จิตของเราเนี่ยอยู่กับเรื่องอะไร ก็อยู ations, asked, ates, happens, fact, notice, like ่ได้ตามที่ต้องการถ้าเอาจิตของเราเนี่ยนะไปคิดถึงเรื่องอะไรแล้วกำหนดอยู่เรื่องอะไรไปอยู่เรื่องอะไรคิดถึงอะไรก็อยู่ได้ในเรื่องนั้นแล้วก็ตามความต้องการด้วยเช่นต้องการจะอยู่ในเรื่องนี้เท่านั้นไม่ไปในเรื่องอื่นมันก็อยู่ได้ในเรื่องนั้นไม่ไปในเรื่องอื่นเลยตามที่กำหนดตามที่ต้องการได้เมื่อไหร่นี่คือสมาธิในสาระสาระของสมาธิอยู่แค่ตรงนี้นะ แต่ถ้าโดยรูปแบบก็ไปแต่งท่ากันเนาะก็ใ <c> จ <oughs> <c oughs> <c oughs> ไหมล่ะครับแต่ถ้าให้แต่งท่าขนาดไหนก็แล้วแต่เธอไปนั่งไปเรื่อยเลยความคิดมันไม่อยู่หรอกใช่ไหมอันนี้มันก็ได้โดยรูปแบบแต่โดยสาระไม่ได้นี่ไงถึงบอกว่าสมาธิโดยสาระจริงๆก็คือเป็นคนที่จิตเนี่ยนันอ่อนโยนแล้ว อ่อนโยนโยนสามารถที่จะฟังเรื่องนี้ก็อยู่ในเรื่องนี้ไม่ใช่คนที่จะได้ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้บรรลุธรรมเลยนะเอายกตัวอย่างเช่นพระเจ้าชาติศัตรูวเวลาไปเห็นภิกษุสงบเรียบร้อยเข้าไปมองปุ๊บอย่างเงี้ยพอเห็นพระเรียบร้อยสงบกายก็สงบวาจาก็สงบใจก็สงบเรียบร้อยตั้งพันสองร้อยห้าสิบรูปพอไปเห็น โอ้ยชอบเลยเกินขอให้ลูกชายอาภัยพัฒราชกุมารเป็นเช่นนี้เธอหนุนไปแล้วไปไหนไปที่วังไปที่หาลูกอยากให้ลูกเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าต่อให้ฟังร้อยครั้งมันก็ไปเรื่องอื่นก็จะจ้ามาบอกพีตัวอยู่เนี่ยใจวิ่งไปแใจมันไปมั่วแล้วมั่วแล้วคนประเภทเนี้ย คนประเภทฟุ้งซ่านจึงฟังธรรมะไม่รู้เรื่องหรอกถ้าจะถ้าจะสงบปุ๊บมันก็จะค่อยดาวลงดิ่งลงดิ่งลงแล้วก็ลืมฟุบไปเลยหลับใช่ไหมพวกพวกฟุ้งซ่านมันมีสองวิธีแค่นั้นเองคือคือฟังอะไรดิ่งกับเรื่องอะไรก็ไม่ได้แต่ถ้าจะสงบหน่อยดิ่งหน่อยปุ๊บฟุบลงไปก็แล้วมันไม่ผ่องใส จิตมันไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาไม่เอื้อเคยเป็นไปแล้วคือท่านท่านนิ่งไม่ไรไม่ได้นิ่งเป็นหลับนิ่งเป็นหลับเลยเพราอๆทำท่าจะสงบหน่อยมันจะค่อยๆค่อยๆหลีลงหลีลงหลีลงมันเหมือนแสงไฟอ่ะสัสว่างฟุ้งฟุ้งไปทั่วอย่างนี้นะแต่พอแสงไฟก็ค่อยหลีลงหลีลงแลแปลวจะหลับมันได้แค่นี้แปลว่าอะไรแปลว่าเดินกุศลไม่เป็น ทีนี้คำว่าทำหน้าที่เนี่ยในการประพฤติธรรมมันเป็นเรื่องเดียวกั น, นแปลว่าเหมือนเราฟังที่พูดสักคเนเอาแล้วเราจะประพฤติธรรมด้วยการทำหน้าที่ของความเป็นผู้ฟังได้ดีเราจะเก็บเอากุศลจากการฟังเราจะเก็บข้อมูลจากการฟังให้ได้มากที่สุดเราจะปรุงแต่งจิตเราให้โปร่งโล่งเบา ให้มีความสุขจากการฟังเราจะเก็บประโยชน์ให้มากเราจะตัดเรื่องราวที่อื่นทั้งหมดจะใส่ใ จ, จเฉพาะเรื่องนี้เท่านั้นโอ้โหพอพอพ อ, พอมานสิการใส่ใจอย่างนี้พวกก็ตั้งใจฟังพอในขณะที่ฟังนั้นเกิดความเชื่อมั่นเกิดขึ้นเกิดกล้าเกิดขึ้นมีสติเกิดขึ้ น, น, ม, นมีความตั้งมัน่นมีปัญญารู้และเข้าใจตรงนี้มันก็ชำระดีชำระใจให้โปร่งโล่งใจแล้วเริ่มใจเริ่มสงบใจเริ่มอ่อนใช่ไม สงบแปลว่าไม่ฟุ้งซ่านอ่อนก็คือไม่แข็งกระด้างนิ่ใจเริ่มเหมาะเริ่มครวนและเริ่มควนต่อการที่จะระลึกตามเริ่มเริ่มมีพลังมากขึ้นแล้วแล้วมันเริ่มดําเนินไปตรงเริ่มคล่องแคล่วแล้วจิตเริ่มคล่องแคล่วขึ้นแล้วก็ดําเนินไปตรงทางนะใช่ไหมเนี่ยกรณีแบบนี้กุศลจิตมันเกิดขึ้นเอื้อไม่มีโรคไม่มีโทษไม่มีคองเสียก็ว่าไปกรณีอย่างนี้ก็เรียกอะไรทําหน้าที่แกการประพฤติธรรม อันเดียวกันไหมแล้วทักฟังปุ๊บมันเครียดมันก้มมันทุกข์จิตมันเล่าร้อนแปลว่าไม่ได้ทําหน้าที่ก็ไม่เรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมว่าต่อให้ไปนั่งสมาธิเป็นเมือ่อฟุ้งปุ๊บปุ๊บ ป, บ ป, บป๊บ๊มันก็ไม่ได้ดึงทำหน้าที่อะไรเนี่ตอนนั้นเดินอยู่ฟุ้งไปอะไรก็ไม่รู้นั่งอยู่ฟุ้งไปอะไรก็ไม่รู้ยืนอยู่ฟุ้งไปอะไรไปก็รู้นอนอยู่ฟุ้งไปเรื่องอื่นหรือว่ากําหนัดขัดเคืองอยู่เนี้ย นี่ก็แปลว่าไม่ได้ทําหน้าที่ก็คือไม่ประพฤติธรรมเห็นไหมมันอยู่ตรงที่เราจะเเราตั้งมารณาสการว่าเราจะประพฤติธรรมมองเห็นไหมยากไหมล่ะยอมรับยากไหมท่านทำได้ไหมแบบนี้ทีนี้มันอั น, นอันนี้เป็นการฝ่ายโลกิยะนะฝ่ายโรกิยะในชีวิตจริงนะ ส่วนจะผันตัวเองเพื่อจะดําเนินไปสู่โลกุกตละนั่นว่าอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ฝ่ายโลกียะที่เราจะประพฤติทธรรมในชีวิตจริงๆเนี่ยไอตัวเนี้ยทีนี้เราไม่เคยถูกแนะนําว่าประพฤติทธรรมหน้าที่หน้าที่คือการประพฤติทธรรมมันเป็นเรื่องเดียวกันยังไงเราไม่เคยเราไม่เคยอ่านความหมายคําว่าธรรมะหรือการประพฤติทธรรมซึ่งมันมีตั้งสิบความหมายถ้าพูดเชิงลึกก็ได้นะพูดทายมไม่เข้าใจยังได้เลยเช่น ธรรมะคือสภาวะที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนเช่นโลภะก็ทรงไว้ซึ่งลักษณะความโลภกำหนัดยินดีเพื่อเพลินโทสะก็มีลักษณะพรทุษร้ายโมหะก็มีลักษณะฟุ้งซ่านวังเลสงสัยย่เงี้ยศรัทธาก็มีลักษณะเชื่อมั่นความเพียนก็มีลักษณะพยุงผลักดันใช่ไหมหรือแกล้งกล้ า, ลาใ ส, สติก็มีลักษณะระลึกตามระลึกได้สมาธิก็มีลักษณะตั้งมั่นปัญญาก็มีลักษณะรู้ตามความเป็นจริงนี่คือธรรมะใช่ไหม ทั้งโลภทั้งกุศลอกุศลก็เป็นธรรมะหมดเลยนะี่ถ้านในความหมายคําว่าทรงไว้แต่คําว่าหน้าที่เนี่ยบ่งบอกถึงตัวเฉพาะกุศลอย่างเดียวกุศลจิตอย่างเดียวในขณะที่เกิดขึ้นในการปฏิบัตินั้นนะัทีนี้เราพอเราบอกว่าจะไปอาบน้ำโอ้ขี้เกียจวะเคยเป็นไหมไม่อยากจะลุกเลยอันนี้แปลว่าอะไรไม่อยากทําหน้าที่และไม่ประพฤติธรรม ทีนี้พอเอาละเราจะทำหน้าที่เราจะประพฤติทำโอ้โหทีนี้มีพลังขึ้นมาขณะที่ไปอาบนะ้าเป็นไงถูเราจะทำความสะอาดให้ดีที่สุดแล้วสึกมันเกิดสุขใจขึ้นมาที่ได้ทำหน้าที่สุขใจขึ้นมาได้ปฏิบททัติธรรมเราจะดูแลร่างกายนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้จะดูแลได้ เพจะได้เป็นปัจจัยแก่การทําสิ่งที่ดีแล้วก็อยู่ในเรื่องนั้นมาดำเนิการในเรื่องนั้นขจัดความฟุ้งซ่านความลังเลสง ส, สัยอะไรออกไปหมดเลยไม่ได้ฟุ้งไปนู้นบางคนที่มันไม่ได้ทําหน้าที่คือว่าหรือไม่ได้ปฏิบัติธรรมคือว่ารีบตืดตดตืดตืดตืดเราคิดเรื่องอื่นแล้ ว, Amazon, ลวตอนนั้นน่ะไม่ได้มัวมัวใส่ใจในเรื่องนั้นแล้ว <S <s เคยเป็นไหม <s> ละ่ะบ่อยไหม <s> <เ>ล่ะไม่างนขับรถก็เหมือนกันไปคนละเรื่องกันเลยเนี่ย หมุนเป็นเอกตัวจักเลยเนี่ไม่ได้ทําหน้าที่ก็นี่ไงนี่ไงเพราะท่านในภาษาพระก็พูดได้นะว่าอในภาษาในภาษาของพระเนี่ยอย่างเช่นว่า ในสติสัมปชัญญะในฐานะเจตเนี่ยในสติปัฏฐานเลยเนี่ยให้ใช้สติสัมปชัญญะใช้ความเพียรที่สร้างสรรค์ในการก้าวไปยังไงถอยกลับยังไงคู้เข้ายังไงเหยียดออกยังไงในการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะในการยืนการเดินการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดกันนิ่งเนี่ยก็มีกำกับหมดแหละจริงๆนั่นแหละคือให้ทําหน้าที่ก็คือประพฤติธรรม แต่นี้เราไม่มีสติสัมปชัญญะในขณะรำซะนี้ก็เลยเรียกว่าไม่เรียกว่าทําหน้าที่ไม่เรียกว่าปฏิบัติธรรมถ้ามาใช้ภาษาทางวิชาการก็ใช้อีกอย่างหนึ่งถ้าเรียกว่าหน้าที่นี่จบเลยจบเลยนั่นแหละคือปฏิบัติธรรมมันไม่จําเป็นว่าอยู่ในวัดหรือในบ้านนี่มันก็ต้องทําเหมือนกันแต่ว่ามันได้มันเลยไม่ได้คุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ทีนี้ให้สังเกตดูดีเราไม่มีความสุข ดูดีดิไม่มีความสุขไอ้ตัวเนี้ยแล้วอยู่กันมาจนขนาดนี้แล้วเราไม่เคยได้ความสุขในชีวิตจริงเลยเนะในการทำหน้าที่เลยเนอะก็แปลว่าเราไม่ได้ประพฤติทำเราไม่ฆ่าสัตว์จริงนะเราไม่รักทรัพย์ของใครจริงเราไม่ได้ไปพูดเท็จส่อเสียดกับใครจริงจนระิงเนตอนนั้นนะ่ะใช่ไหมเราไม่ได้พูดเราไม่ได้ดื่มของมึนเมาแต่ใจหนูเป็นไงตอนนั้ ว้าวุ่นกำหนัดบ้างขัดเคืองบ้างมัวเมาบ้างลุ่มหลงบ้างหดหูบ้างท้อแท้บ้างใช่ไหมฟุ้งซ่านบ้างลำคาญใจบ้างลังเลสงสัยบ้างมันเป็นแบบเนี้ยเครียดบ้างโกรธบ้างนี่ไงเขาเรียกไม่ได้ทําหน้าที่ไม่ได้ประพฤติทำอันนั้นมันกรอบกว้างกรอบกว้างๆเองนะที่กรอบที่ตั้งเัาไว้ที่ว่าเป็นวินัยแต่ตัวธรรมะกุศลไม่ได้เกิดขึ้นจริงเหมือนพระเนี่ยฉันก็สังเกต ตัวเองก็เป็นนะบางทีเอ้ยเะทําไมเดินไปเดินมาไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยวเนี่ยฉันก็เห็นพระยะแยะหมดเอ้ก็เดินกันตืดตืดๆืดไปตืดตมาโอ้เขาไม่ได้ทําหน้าที่สักพักเดินหน้ามุ่ยตืดตืดตๆๆตไปแล้วมาองมาองก็นั่งหลับอย่างเงี้ยสับงกเงี้ยนะแล้วโอ้เขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจแล้วใจว่าจะไปว่าอะไรเขาเพราะเขาเรียนธรรมะอ่านออกมากันทั้งนั้นเนี่ย ไปฟังก็ไปฟังเรื่องราวเขาไม่เคยเอามาใช้จริงๆในชีวิตจริงๆเขาในขณะที่เขาจะล้างพระก็ต้องไปบิณฑบาตพระก็ต้องล้างจานพระก็ต้องถูพระก็ต้องทําความสะอาดพระก็ต้องขัดห้องน้ำมันทําหมดเลยนะแต่เขาไม่ได้ไประพฤติธรรมแล้วใครจะไปบอกเขามันมันมั น, ม, นมันเป็นเส้นผมบางภูเขามันเป็นความลับเลยเนะี่ยเรื่องเนี้ยมันเป็นเส้นผมบางภูเขาเลยเนะย แล้วก็ไปท่องโอ้สัเครียดหน่อยก็อิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาเจารณาสัมปันโนสุโกโตโอค่อยช่วยหน่อยใจยค่อยดีหน่อยใช่ไหมให้มันเป็นธรรมะจริงๆไม่ได้เข้าถึงธรรมะไม่ได้ไปทําหน้าที่จริงๆไงก็มันกําลังทําอยู่แล้วก็ตอนนี้ไงหนูกําลังฟังอยู่เนี้ยก็เรียกไปทําหน้าที่ไหม ฉันถ้าเครียดไปพูดไปทุกไปวิตกกังวลไปแปลว่าฉันก็ไม่ได้ทําหน้าที่ฉันก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมฉันก็ไปพ่นให้มันแล้วฉันเคยเป็นด้วยนะแต่ก่อนเนี่ยฉันไม่รู้ว่าฉันเนี่ยเครียดที่ไปพูดเนี่ยมันไปสอนเนนไงเนียนก็ดื้อหืดื้อใช่ไหมดื้อกับเนีนนี่โอ้ยรวยใหญ่เครียดเนี่ยทําไมเป็นงี้วยทําไมเป็นอย่างงี้วยเนี่ยงงงไง แล้วเขาประพฤติทำกันต้านไหนก็ไปดูในวิมุตตายัตนะออเทศแล้วบรรลุธรรมโออย่างี้ต่อยเทศแทบตายก็ไม่บรรลุก็คือเป็นบ่นดีๆแล้วแยกไม่ออกด้วยนะเอาบุญลูกก็สอนลูกต่างตรงไหนถ้าประพฤติธรรมเนี่ยถ้าทําหน้าที่เนี่ยอันนั้นคือสอนลูกแต่ถ้าไม่ได้มนสิการว่ากําลังปฏิบททัติธรรมหรือทําหน้าที่นนเรีอกบุญ ลูกมันงงหมดแล้วมันแยกไม่ออกพอแม่อ้าปากปุ๊บอันี่กูโดนด่าเลยงานนี้มันคิดอย่างนั้นจริงๆเพราะเราไม่ประพฤติธทแล้วได้จะเขียนยี่ห้อกันไว้เองว่าเราประพฤติทำแล้วเราอยากจะให้ลูกไปปฏิบัติที่นูน่นที่นี่ใช่ไหมแล้วพอกลับมาหนักข้าวหนักข้ามีทัศนคติต่อโลกผิดตึ้นนะบางทีไอ้พวกที่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยพอกลับมารู้สึกว่าโลกไม่น่าอยู่สังคมไม่น่าอยู่อ่ะ มันมันไม่โอเคเราชอบระบบจัดตั้งสานักปฏิบัติทั่วไปแม้ที่ฉันจะทำก็เหมือนกันคือระบบจัดตั้งมันไม่ใช่วิถีชีวิตจริงๆเพราะเรามันยังไม่สามารถประพฤติทำที่มันเป็นเนื้อเป็นตัวในชีวิตจริงได้มันก็เลยต้องใช้ระบบจัดตั้งเป็นตัวหลอมแต่พอออกจากที่ตรงนั้นไปไม่เป็นฉันไปที่โรงเรียนวิชลาวุธ ก็ไปเจอระบบจัดตั้งนี่แหละดูดีหมดแหละแต่ข้างในหูร้อนเป็นไฟนี่ไงมีทำวัดสวดมนต์มีการเช็คมีการลงโทษมีอะไรเบอร์เส็จหมดแหละต้องกินอาหารเวลาเท่าไหร่ต้องออกวิ่งเวลาเท่าไหร่ต้องเรียนเวลาเท่าไหร่ต้องทำกิจกรรมเวลาเท่าไหร่มีตลอดสวดมนต์เวลาเท่าไหร่มีครบแต่เราชอบระบบแบบนี้ก็เรือระบบจัดตั้ง ที่คอร์สปฏิบัติก็เหมือนกันหนูลองไปในช่วงที่เขาไม่มีคอร์สสิไปดูสิที่ไหนก็ได้ยูพุทธก็ได้ฉันไปสอนมาหมดแล้วไปสอนกรรมฐานมามรู้ไปทั่วประเทศทัง้งนั้นฉันไปมันระบบจัดตั้งทั้งนั้นพอหลังจบคอร์สขึ้นมาไม่มีจริ ง, งก็ก็มันระบบจัดตั้งเข้าใจคำว่าระบบจัดตั้งัหมมันไม่ใช่ชีวิตจริง แต่ว่าไม่ใช่มันไม่ได้ผลนะแต่มันได้ผลเพียงแค่ถ้าไม่มีระบบจัดตั้งก็เดินกุศลไม่ได้เหมือนว่าไอ้เจ้าเนี้ยขามันเป๋ขาไม่มีแรงก็เลยต้องเอาใช้ไม้เท้าพยุงแล้วมันพยุงจนจนต้องอาศัยไม้เท้าไม่มีไม้เท้าเดินไม่ได้ไอ้เจ้าเนี้ยเสียคนไปเลยเพราะไม่ฝืนถ้าไม่มีระบบจัดตั้งเดินไม่เป็นเลยเดินกุศลก็เว้นออกมาไม่ได้บ่าวก็เป็นแถว เพราะมันถูกระบบจัดตั้งไงเซตรูปแบบไว้อันนี้มันธรรมะระบบจัดตั้งแต่ไม่ใช่ธรรมะในชีวิตจริงแต่ที่พูดสักครู่เนี่ยก็คือให้เราได้ปฏิบัติธรรมในชีวิตจริงปฏิบัติธรรมะในชีวิตจริงๆให้มีสติสัมปชัญญะมันเกิดขึ้นได้จริงๆโดยชนิดที่มองเห็นทุกอย่างเป็นอุปกรณ์เป็นรูปแบบได้หมดมันหมายความว่าถ้าไปเป็นระบบจัดตั้งโอ้โหถ้ามีพวก ไม้เท้าวสวยๆโอ้ยเดินได้พ่อไม้นะไม้เท้าทิ้งแต่ถ้าเป็นไม้ธรรมดาไม่เอาไม่เอามันไม่ชอบถ้งหงิงหงง อ, งงองไม่เอาด้วยไม่เอามองเห็นไหมเป็นอย่างนั้นเอาถ้าทุกคนไปปฏิบัติด้วยการนี้โอชื่นใจแต่ถ้ามาอยู่ที่บ้านเนี่ยเราไม่สามารถมองทุกคนว่าเป็นผู้ปฏิบัติทำตามเราได้ เราก็ตั้งท่าก็ว่าไอ้นี่ไม่สวดมนต์ไอ้นี้โลภมากไอ้นี้นั่นไม่เหมือนเราไม่เหมือนที่ตรงนั้นไปที่นั่นสบายกลับมาบ้านแล้ววุ่นวายเบื่อโลกนี้จริงๆเหนื่อยนิ่ก็เนี่ยมันคิดมันอย่างนี้นะเราไปชอบระบบจัดตั้งระบบจัดตั้งเราอยู่ในานานดีพอหลังจากหมดตรงนั้นไปเสร็จปุ๊บไม่มีจริงหนึวนะเข้า เ, าเอะอะเวไวกัน ในในผู้เจาะลงไปในบรรดาเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลผู้ปฏิบัติใช่ไมเอาไม่ว่าจะเป็นยุคเพื่อนว่าที่ไหนก็แล้วแต่ร้อยสองร้อยกว่าคนเครียดใช่ไหมละ่ะ ค, คนทำอาหารให้ผู้ปฏิบัติก็เครียดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดก็เครียดใช่ไหมคนคอยคุมกฎก็เครียด ครูสอนที่ไปนั่งสอบอารมณ์กับเครียดฉัไปเห็นมาหมดแล้วโอเนี่ยระบบจัดตั้งเพราะไม่เข้าใจคำวันหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่ถ้าไปเข้าใจทุกคนกวาดก็ปฏิบัติธรรมเออแล้วแปลกนะเนี่ยผมยังไม่ได้ปฏิบัติกับเขาเลย เขากันผมก็ได้จะทำความสะอาดอยู่นะปีหนึ่งได้มีโอกาสปฏิบัติครั้งพอช่วงปฏิบัติเขายิ่งชั่วสบายหนอนี่ก็เจ้าหน้าที่นะที่ดูแลผู้ปฏิบัติแม้เขาอยู่ตรงนั้นเขายังมึนเลยไม่ต้องพูดถึงพวกเราที่จะไม่ดับเบิลมึนมึนยกกำลังสองมึนจริงๆเพราะไม่เข้าใจว่าปฏิบัติทำมันคืออะไรไหนเาอยู่ในที่นั้นนะโหเนี่ย เยดี๋ยวถูกเกณฑ์ให้เขาปฏิบัติธรรมเขาบอกในช่วงนี้เขาเครียดเคียดพอดีเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยปีนี้บางเพราะว่ามีเจ้าหนี่น้อยนั่คุยกับฉันนี้ฉนันอ๋อเขาเข้าใจปฏิบัติธรรมของเขาคือไปอยู่ในคอร์สแล้วก็ไปนั่งหลับตาใส่ชุดขาวถ้าเขาใส่ชุดธรรมดานี่ไม่ใช่ปฏิบัติกับชุดมั น, ม, น, ม, นมันมีผลกับเขาขนาดนั้นเหมือนไปงานสอบนีะ่ะใส่ชุดอื่นไม่ได้ต้องชุดดํามัน ใช่มโอ้แต่าพระเปงั้นยุ่งเลยนะเนี่ยไปงานไหนงานศพต้องใส่ชุดดำงานรายงานแต่งต้องใส่ชุดเลยนี่ยุ่งเลยนะดีเนี่ยก็พระมีชุดเดียวเนี่ยเข้าใจอย่างว่าปฏิบัติธรรมก็คือการทำหน้าที่ถ้าเข้าใจตรงนี้หนูจะปฏิบัติธรรมได้จริง แล้วก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมที่เข้าถึงสาระไม่ใช่รูปแบบรูปแบบก็ดีไม่ใช่ปฏิเสธแต่ที่จริงแล้วเนี่ยต้องสามารถอัพพายทุกเรื่องเป็นรูปแบบที่จะเกื้อกูลต่อการเข้าสู่การทําหน้าที่ที่เป็นการปฏิบัติธรรมในทุกเรื่องถ้าทําได้อย่างเงี้ยก็ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วแล้วหนูก็มีความสุขแล้ว พรสุขมันคือกุศลปลอดโปร่งโล่งเบาเอื้อสบายทั้งหลายคือกุศลนี่แล้วก็ทําหน้าที่ด้วยความรอบคอบด้วยความสุ ข, ขุมด้วยความละเอียดอ่อนแล้วก็สุขก็เกิดขึ้นเป็นสวรรค์นี่ยังหนูก็ได้สวรรค์ทุกๆขนา จ, จิตทุกๆอียบทแล้วทุกๆ ก, การกระทำเรียบร้อยแล้วแล้วหนูจะไปเอาที่ไหนแล้วจะความสุขจากไหนอีกจะไปรอวันพรุ่งนี้หรือวันบัลลนนี้หรือเดือนเดือนหน้าหรือปีหน้าชาติหน้า มันต้องเดียวนี้ขณะนี้ใช่ั้มล่ะฟังปุ๊บให้มันได้เกิดขึ้นในขณะนี้เลยใจมันก็โปร่งโล่งเบาโป่งไหมฟังแบบนี้แล้วมันโล่งไหมหรือมันมันมืดมืดหรือโปร่งโปร่งแล้วมันก็ปลดล็อกในใจเราได้โอ้เราถอดรหัสตั้งนานในใจเรามันเป็นมันเป็นเคร็ดในนะอ๋อปฏิบัติทํามันเป็นแบบนี้จริง ฉันไปมาทั่วหมดทั่วฟ้าเมืองไทยอยู่ในป่าอยู่ในเขาอยู่ในถ้ำไปมาหมดเดินมาจนเท้าแตกทั้งชีวิตมาสามสิบแปดปีอยู่ในวงกา ร, ราศาสนาเราถือว่านานพอสมควรเลยไปนั่งมาหมดไปดูมาหมดไปอยู่มาทุกกลุ่มชนอ๋อปฏิบัติธรรมมันคืออย่างนี้นี่เอง ถ้าฉันไม่ได้มีประสบการณ์พวกนี้ฉันจะมึนนะฉันก็นึกว่าเออปฏิบัติทำแต่ก่อนโอ้โหช่วงนี้ช่วงนี้ต้องต้องเรียนต้องต้องฟังต้องสอนเดี๋ยวต้องหาเวลาไปปฏิบททัติทมคิดอยู่งี้ตลอดเลยนะพอออกพรรษาไปแล้วแบกบาตรแบกกฎไปแล้วไปปฏิบัติทำในระหว่างที่เดินไปก็ยังไม่ได้ปฏิบัติเนะต้องไปถึงที่ก่อนเดินใหญ่เลยสองวันสามวันที่เดินเป็น เก็นเจ็วันยังไม่ถึงที่ปฏิบัติธรรมเลยยังไม่ได้ปฏิบัติเลยเ น, นี่ยนะเพราะยังไม่ถึงพะไปถึงที่ตรงนั้นโอ้โหวายตายช่วงนี้ฝนตกยุ่งเยอะปฏิบัติได้ไม่ดีว่างั้นนะเนี่ยมันไปอย่างนั้นนะไปอยู่อย่างนี้นนะเราไม่เคยรู้ว่าทุกย่างก้าวทุกียาบทนั่นคือการปฏิบัติธรรมทุกกิจกรรมที่ดำเนินไปคือการปฏิบัติธรรมคือหน้าที่ คือการทำหน้าที่ด้วยจิตที่โปร่งโล่งเบาแล้วมีสติกำกับอยู่กับตัวมีความเพียรที่สร้างสารรมีปัญญารู้และเข้าใจกำจัดความยินดียิน้ายได้ในขณะนั้นเรียกวิบาติธรรมแค่นี้เองจำไว้แล้วมันยากไหมล่ะอย่างเงี้ยแต่มันต้องเอาไปฝึกจริงๆถึงจะได้และถ้าวันใดวันหนึ่งเนยะเออไม่ใช่ขนาดเนี้ยพอฝึกปุ๊ บ, บเดี๋ยวนี้มันได้ ก็หนูได้สุขสมมาได้ได้ความปลอดโปรงโลกขึ้นมาหนูจะชื่นใจตัวเองว่าโอ้เราหาคำว่าปฏิบัติธรรมมาทั้งชีวิตที่ไหนได้มันก็อยู่ตรงนี้นี่เองปล่อยเขาก่อน มันสุอยังไงต้องดูเขาถ้าสุขอย่างเสพสุขเสพหรือว่าสุขเพราะการได้ทำหน้าที่ถ้าเขาสุขเพราะเสพไงได้ดูหนังฟังเพลงสนุกสนานคนละเรื่องแล้วอันนี้ถ้าสุขจากการที่เขาได้ทำหน้าที่เช่นเขาเรียนต้อมีความสุขใช่ไหม เขาได้แต่งได้ได้อาบน้ํามีความสุขออกกําลังกายมีความสุขกินอาหารได้มีความสุขคือเขามีความสุขจากการมีสติสัพปัญญะในการกํากับแล้วก็ทําหน้าที่อย่างไม่บกพร่องและชื่นอันนี้ใช่เขาปฏิบัติธรรมโดยไม่รู้ตัวนเนี่ยแต่ถ้าเขาสุขจากเสพมันคนละเรื่องกันนะสุขจากสิ่งเสพถ้าไม่ได้อย่างนี้เขาไม่สุขก่อนยังต้องได้ถึงจะสุขอย่างเงี้ยมคนละเรื่องแล้วหรือว่าต่อรองกับแม่ได้ถึงมีความสุขต่อรองไม่ได้ไม่มีความสุขจะเรียกปฏิบัติธรรมได้ไง แต่ถ้าปฏิบัติธรรมก็คือว่าเขาจะทำหน้าที่ความเป็นลูกเขาเาเาจะต้องพูดพูดกับแม่เขาจะพูดด้วยวาจาที่อ่อนหวานเขาทำหน้าที่ความเป็นลูกแม่จา๋าหนูจะไปเรียนนะกราบแม่เพราะถือการกราบแม่ก็มีความสุขจากการได้ทำหน้าที่ไปเรียนแล้วในขณะตั้งใจเรียนก็มีความสุขยิ่งรู้ยิ่งเข้าใจก็มีความสุขเขาไม่เครียดไม่กลุ่มไม่ทุกข์ไม่อะไรเลย ได้เชื่อมประสานกับเพื่อนทั้งหลายก็มีความสุขได้ให้ของที่เพื่อนก็มีความสุขก็ขปฏิบัติธรรมที่อย่างเงี้ยเขาเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็ต้องไปเจาะประเด็นไม่ใช่ว่าเขาพูดไม่ถูกใจมันน้างยิกน้างงออยน้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วหนูเข้าใจอเข้าใจว่างไร มีข้อแม้ว่าเราจะประพฤติท ร, ร ม, มันต้องมานาสิกาอย่างนั้นเนี่ยด้วยการทําหน้าที่ให้ดีและมีความสุขแล้วให้ได้ปลาโม่ให้ได้ปีติให้ได้ความสงบให้เกิดสุขโสมนัสและให้มีความตั้งมั่นแห่งกิจและมีปัญญารู้และเข้าใจในกําลังทํากิจและหน้าที่นั้นนี่ชัดเลยตรงนี้เข้าถึงเลยเขาจะเห็นเราเอ๊ะทําไมคุณยิ้ ม, ยมแย้มแจ่มใสตลอดวันเลย อ๋อก็ฉันปฏิบัติธรรมเพราะฉันทําหน้าที่ใช่ไหมโอ้มีความสุขเลยเออมีสุขจริงๆรนะถ้าหนูทําตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้งสามคนเลยนะกลับไปนี่นะแล้วก็ลองดูแล้วก็เช็คกันตลอดเวลาเฮ้ยเป็นไงมีความสุขมั้ยเช็คกันโดยนะบอกโอ้สุขเหลือเกินมันพลิกชีวิตเลยนะมันพลิกชีวิตเราเลยนะว่างั้นจะฉันมีความสุขจริงๆเอบ อ, อิม่มจริงๆปราเปลื้ม ความเศร้าหมองความไม่รู้ความไม่เข้าใจแล้วก็ฟังธรรมะต่อเนื่องฟังติดต่อแล้วต่อเนื่องแล้วก็ปฏิบัติได้จริงๆด้วยแล้วก็ถามมันเป็นยังไงแล้วมันอาบน้ําแล้วได้ปฏิบัติทำไหมยปฏิบัติทำสิทำให้สรีละมันสกรปรกให้มันสะอาดแล้วใจก็สะอาดด้วยในขณะที่ทํานั้นออกกําลังกายเป็นการปฏิบัติธรรทอย่างใช้ก็ทําหน้าที่คือปฏิบัติทำไงกินอาหารเนี่ยทําหน้าที่ อาหารที่มันไม่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายก็ไม่เอาเข้ามาเอาสิ่งที่เขาเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้วเข้าไปก็คือการทําหน้าที่ใจมันก็มีความสุขที่เราได้ดูแลตัวเองให้ใหดีงามเรียบร้อยเย่างว่าทายกุจอราปัสวาจยังมีความสุขเลยกระทําหน้าที่เอาของเสีย อ, ออกเพราะงั้นเดี๋ยวทําร่างกายมันแข็งแรงแล้วก็มีสติสัมปชัญญะในการดําเนินชีวิตยอย่างนั้นปฏิบัติธรรมทุกขั้นตอนเลยแม้กระทั่งนอนเราทําหน้าที่ ด้วยการที่จะนอนด้วยมีสติสัพชัญญาให้ร่างกายพักผ่อนแล้วให้มีความสุขจากการนอนและเมื่อตื่นขึ้นมาก็จะทำหน้าที่ได้ดีที่สุดเมื่อเราพักผ่อนได้เต็มที่ก็นอนปล่อยวางไม่ทำหน้าที่ตื่นมาผ่องใสเฟดูโอ้โหมันจะผิดเป็นคนละคนเลยนะ เราจะมีความรู้สึกว่าโอ้เราได้ประพฤติทมจริงๆแล้วเราหามาทั้งชีวิตไม่เคยเจอเลยตอนนี้เราได้เจอแล้วการประพฤติทำใครจะชวนเราไปปฏิบัติข้อที่ไหนเดี๋ยวเดียวดูก่อนถามทำไมเพราะทุกวันก็ทำอยู่แล้วแต่ถ้าว่างก็ไปใครจะว่าไปเชิงลึกไปทำเชิงลึกไม่เป็นไรแต่เรารู้หมดแล้วเราเข้าใจว่าเราทำทุกวัน ไม่มีวันไหนเลยที่ไม่ได้ทำหน้าที่ไม่มีวันไหนเลยที่ไม่ปฏิบัติธรรมไม่มีวันไหนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจในการเคลื่อนสรีละยนหรือกระแสชีวิตเนี่ยให้ดำเนินในการทำกิจต่างๆก็คือทำหน้าที่ประคือทมแล้วจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะสายตาก็จะดูดูดูอ่อนโยนดูอ่อนโยนไม่แข็งใช่สภาพจิตก็สงบ อ่อนโยนอ่อนโยนนี่นะสงบก็คือไม่ฟุ้งอ่อนโยนก็คือไม่แข็งกระด้างแล้วก็ควรเหมาะเหมาะแก่การระลึกกุศลนี่แล้วก็คล่องแคล่วโอ้โหันนึกถึงความดีนีนจิตคล่องแคล่วทุดทุดทุดเร็วมากแล้วก็ตรงจิตดาเนินไปตรงดาเนินไปอย่างรวดเร็วตรงทางไม่คดเดี๋ยวกาหนด ขัดเคืองมัวเมาลุ่มหลงไม่คดอย่างนี้นะตรงไปตามศรัทธาวิทยาสติสมาธิปัญญาเนี่ยปฏิบัติธรรมเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าทําหน้าที่ก็ให้เราได้ดําเนินชีวิตกันให้มันถูกนะแล้วต้องคิดตลอดว่าเรากําลังปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมต้องใส่รหัสในใจงนี้ตลอดเราประพฤติธรรมนะทำหน้าที่ทําหน้าที่ทําให้ดีที่สุดลองไปซักผ้าด โม้ทำไมสุขแต่ก่อนเราไม่เคยสุขเลยเอ๊ะถูบ้านทำไมมีความสุขพับผ้าพับนอนทำไมมีความสุขกวาดทำไมมีความสุขกินอาหารก็มีความสุขทํากิจกรรมทั้งหมดมันทําหน้าที่ประพฤติธรรมหน้าที่คือทําธรรมะการทําหน้าที่คือการประพฤติธรรมการพฤติธรรมคือหน้าที่มันอันเดียวกันพอเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บโอ้โหเีนี้ไปโลดเลยการปฏิบัติใช่ไหมล่ะ เอาเวลามองคิดถึงคนอื่นเอาเป็นหน้าที่ก็คือประพฤติธรรมเอาเมตตาในใจแผ่ครับคอยเขาอายุยืนนะเหมืนนะ่อนคอยหนุยายุยืนนะคอยมีความสุขคอยประสบความสําเร็จในชีวิตนี่ไม่เลือกเนี่ยทำหน้าที่นี่คือประพฤติธรรมแผ่เมตตาจิตทั้งหมดเลยกตลอดคนทั้งโลก ไปไหนะที่ไหนเห็นหน้าเออไม่เคยเห็นในคนนี้แต่ฉันแผ่เมตตาให้คุณไปแล้วฉันไม่ไม่มีใครเลยที่ไม่เคยแผ่ไม่แผ่เมตตาฉันคิดอย่างนั้นเลยนะเนไปที่สนามบินสุวรรณภูมิเจอชาวต่างชาติเจออะไรเยอะแย ะ, ยะฉันก็ยิ้มหมดใจยิ้มว่ไงอ๋อเพิ่งเห็นตัวจริงวันเนี้ยแต่ในใจฉันแผ่ให้เยอะหมดแล้วคุ้นเคยหมดพวกนี้ไม่เคยมีใครเลยที่ฉันไม่เคยแผ่เมตตา แล้วฉันแผ่ให้ทุกภ พ, พภูมิด้วยนะฉันสร้างคอนเน็กชันไว้หมดคอนเนชันไว้หมดทุกภ พ, พภูมิแต่ไปแล้วเนี่ยพวกนี้ต้องต้อนรับฉันเคยฝันเนี่ยเคยฝันไปอีภพหนึ่งภูมินึ ง, พพนงไปโอ้โหพวกนพว ก, พวกคนดุทั้งนั้นเลยฉันก็เดินเดินเดินเดิ น, เ ด, น, เ, ดนเดินไปเฮย้ยมันทำท่าเ ล, เล่นงานกันจะเล่นงานฉันฉันถามว่าเออที่เคยแผ่เมตตาให้ได้รับไหม เขาบอกได้เออถ้างั้นอย่าทําร้ายกันนะเขาบอกพยักหน้าแล้วเขาก็มากระซิบบอกยันบอกรีบไปที่ตรงนี้มีแต่คนดุเนะยเอ้ยฉันเคยฝันแต่อย่างนี้จริงๆนะฉันก็เดินเดินเดินไปอู้เดี๋ยวเขาจะทำร้ายกันเองแม้ตัวพวกเขาเองวันดีขึ้นก็จับเดี๋ยวตัดแข้งตัดขากันเดี๋ยวนั้นเลยนะบอกโหฉันยังนึกในใจว่าโอ้ฉันก็เวลาเขาทําท่าตาขวางๆอย่างนั้ฉันก็บอกว่า จำได้ไหมที่เคยแผ่เมตตังเขาจำได้ไจำไ ด, ำได้เขาก็อ่อนโยนลงฉันคอยกระตุกเขาตลอดอย่างนี้ตลอดเลยนะหน้ากลัวนะเนี่ยโอ้สแสดงมันมีผลนั้นถ้าฉันจะไปอยู่ในภพไหนแปลว่าฉันสร้างพวกไว้หมดฉันอุทิศส่วนกุศลกุศลให้ทุกภพภูมิแผ่เมตตาให้สัตว์ทุกจำพวกไม่เว้นเลยพาเจอหน้าปบ อย่างเงี้ยเวลาชันเจอพวกเราฉันก็คิดโอ้ไม่มีวันไหนเลยที่ฉันไม่แยบบ่ไม่ตาไข่ ใ, ใช่ไหมฉันแพรตลอดนี่แพรตลอดนี่ไม่จํากัดไม่เลือกสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่นทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่าได้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตฟองร้ายเบียดเบียนซึนน่งกันและกันเลยสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่นทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้ น, นอย่าได้มีความทุกข์ ก, า, กายทุกข์ใจเลยสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นผู้มีความสุขเถิดรักษาตนในพ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเถินไม่มีเลยที่จะไม่แผ่ตลอดนึกกับแผ้เลยกค่จะนึกไปที่ไหน เราได้ให้เขาหมดแล้วะเราได้ให้เมตตาแก่คนทุกคนหมดแล้วเหเราไม่มีเวรภัยในไหนกับใครเลยแล้วปลอดภัยแล้วอันตรายภายในคือราคาโทสศัโมหะก็เล่นงานเราไม่ได้กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตก็เล่นงานเรามันไม่ได้อุทกภัยวารภัยอาคีภัยโจรภัยราชภัยเราก็ไม่มีภัยแต่ในไหนแล้ว เราปรารถนาจะพ้นเวรภัยเหล่านี้ทั้งหมดจบเลยงานนี้ทําทุกวันทุกวันแล้วก็ทําหน้าที่คือประพฤติ ธ, ธรรมไม่มีวันไหนที่จะไม่มนาสิการว่าเรากําลังประพฤติ ธ, ธรรมเดินก็กําลังประพฤติ ธ, ธรรมทำหน้าที่นั่นแหละกินกำลังประพฤติธรรมทาหน้าที่นั่นแหละสักจีวร กำลังประพฤติธรรมเออทำหน้าที่นะั่นแหะกวาดก็คือทำหน้าที่ประพฤติธรรมวนอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็ได้สุขสอมนาตเกิดขึ้น <Okay. S 1> อยากไม่ได้ทำแบบนี้ใช่ไหมไม่ยากเลยเอามีคนเขาว่าทำไงต่อมีคนเขาว่าเราดา่าเราตําหนิแล้วเราจะทำไงเราจะทําหน้าที่ อาพุทธเจ้าว่าไงชนะคนชนะคนโกรธด้วยการไม่โกรธตอบใช่ไหมชนะคนที่ด่าเราด้วยการพูดดีกับเขาชนะคนทีหนีด้วยการให้ใช่ไหมด้วยการแบ่งปันใช่ชนะคนโลภด้วยการให้ด้วยการสละทำตรงกันข้ามเขาสิถ้าเขาทาไม่ดีเราอะไรนะทำไม อ๋อไม่อ๋ออ๋อไม่ป็นตัวโน้นใช่ไหมไม่เปิดให้เยอะมากขึ้นก็ได้อย่างนี้ดีกว่าเพราะถ้าไปปิดแล้วมันจะทำงานตัวเดียวมันก็เดี๋ยวมันหนักเนาะตายไป เข้าใจยังเดี๋ยวนี้เข้าใจว่างยังใช่ไหมยอมยอมเาวินีไปทำอะไรเนี่ยฮะยอมเผาวินีเขไปทำอะไรเออไปไปฏิบัติโออ๋ อ, อเขาไม่ได้มนต์สรรกสารอย่างนั้นนะเขาลืมเนื้นเมื่อกี้ ใช่ต้องใส่ใจตลอดว่าเราประพฤติทมกำลังปฏิบัติธรรมเราทำหน้าที่ชเราก็ต้องบอกว่าเรากำลังทำหน้าที่เรากำลังประพฤติธรรมใช่ัหมใช่ใช่แล้วก็ทำให้มันดีทำให้มีความสุขทำให้มัน มันคือเรื่องเดียวกันไงแล้วสังเกตดูว่าใจมันเป็นยังไงแล้วตอนนั้นใจมีความสุขจริงไหมต้องดูด้วยถ้าทำไปแล้วเครียดไปแปลว่าไม่ได้ทำหน้าที่ไม่ได้เรียกปฏิปปฏบัติธรรใช่ใช่ใช่ ได้แต่อย่างนั้นได้เห็นไหมอย่างนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมก็เราไม่ได้ไม่เราไม่ได้บอกตัวเองไง ตอนนี้ที่นั่งอยู่เนี่ยตอนนั่งแล้วกำลังจะพูดเนี่ยเราคิดยังไงคิดว่าเรากำลังทำหน้าที่ว่ะอ๋อถ้าถ้าคิดว่ากำลังทำหน้าที่ฉันอยู่ยก็โมทนานะการการขออดโทษในในพระาศาสนาเนี่ยมันอย่างนี้ พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยไปขออดโทษกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าชาติศตรูทำปีตุคาตค่าพอ่อทีนี้เรื่องของพวกเราเนี่ยในขณะที่เราไปทำผิดธรรมะเช่นทำผิดหน้าที่ในขณะที่เป็นแม่ทำหน้าที่ของความเป็นแม่ผิดเป็นลูกทำหน้าที่ของความเป็นลูกผิดเป็นเพื่อนทำหน้าที่ความเป็นเพื่อน หรือเป็นพุทธบริษัททําหน้าที่ผิดก็คือไม่ได้ประพฤติทธรรมไม่ได้ประพฤติทธทำให้ถูกต้องตามหน้าที่นั้นๆนั้นน่นะชื่อว่าพวกเราทําผิดต่อภารตนาฏยานั้นเขาจึงมีการขออดโทษกันบ่อยๆบ่อยๆนั่นแหละเพื่อความเจริญงอกงามนั่นแหละเป็นแบบอย่างนีตามแบบอย่างของอริยชนหมูอริยชนทั้งหลายก็ทํากันแบบนี้เขาจะขออดโทษกันตลอดเลยเพื่อเพื่อจะได้เจริญงอกงามตามแบบอย่างของอริยชน เมื่อเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วแก้ไขปรับปรุงตัวเองใหม่นี้เป็นความเจริญงอกงามตามแบบอย่างของอริยชนพระเจ้าสารเสด็จพระพุทธเจ้ า, ย, ายัางทรงกระชอนอยู่พรุทธเจ้าก็บอกว่าเราจะถาคตอดโทษให้ถึงพุทธเจ้าจะพูดอย่างนั้นนใช่อดโทษก็คือว่านี้เป็นจะได้เป็นการสัมรวมระวัง ในการที่จะประพฤติทำต่อไปนี่เป็นความเจริญงอกงามตามแบบอย่างของอริยชนด้วยนะเป็นการการะทำที่ดีโมทนาด้วย <laughs> งั้นต่อไปก็รู้แล้วการประพฤติทำใช่ไหมอ๋ อ, อ, อ, อการทำหน้าที่นี่เองคือการประพฤติทำ โอ้โหเรียนธรรมะมาตั้งนาน <laughs> จริงที่จริงมันก็ได้นะไปได้ข้อมูลการเข้าหาครูอาจารย์เป็นเรื่องที่ดีไปได้ข้อมูลสมัยก่อนก็จะฟังธรรมกันทุกวันใช่ไหยตอนเย็นฟังธรรมกลางวันก็ไปทำหน้าที่ชีวิตการเป็นสามีภรรยาก็ว่ากันไปคือก็ททำหน้าที่ตลอดไม่ละเลยเป็นพทธบริ ษ, ษัทก็ฟังธรรมไม่ห่างการฟังธรรม ไม่ห่างการเยี่ยมเยียนภิกษุสงฆ์ไม่ละเลยการฟังธรรมอันนี้เป็นคุณสมบัติของบาสบาสิกาเลยนะไม่มีการละเลยเลยแม้บรรลุธรรมแล้วยังฟังธรรมกันอยู่ขนาดนั้นเขาสนใจในการฟังธรรมะมากไม่ใช่เป็นอย่างทุกวันนี <c oughs> ท้ทกวันนี้ <c oughs> ไม่เอาแต่ก่อนโอ้โหขวัญขวายาบางองค์มาฟังไม่ทันร้องไห้ โดนโอ้โหเดินทางมาพอมีว่ามีพระเถระจะแสดงธรรมเดินมาจากอีก อ, อําเภอหนึ่งไม่ทันจบก่อนเลยยืนร้องห้าอยู่พระท่านก็ที่องค์แสดงธรรมผ่านมาเห็นคุณทําอะไรอยู่บอกผมมาฟังทําไ ม, ไม่ไม่ทันครับไม่เป็นไรละคุณเดี๋ยววันพรุ่งนี้กับผมก็จะแสดงเรื่องเกา่าดิโอ้โหชื่นใจ แล้ววันต่อมาท่านก็ฟังและท่านได้บรรลุท่านได้บรรลุเนี่เห็นไหมเพราะว่าการฟังธรรมคือการทำหน้าที่ที่จะได้ข้อมูลและจะได้มนสิการในลึกเชิงลึกมากขึ้นและจะได้เป็นเหตุแห่งการบร <c oughs> บรลุธรรมเ <c> ข <oughs> าจริงเคารพธรรมแต่ก่อนเป็นขนาดนดิมเ <c oughs> ขาจริงการฟังธรรมนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องสำคัญมากคนในยุคนั้นเป็นคนฝ่ปัญญา ไฟปัญญาไฟข้อมูลไฟความรู้ถ้าถามอย่างนี้ว่าในบรรดารูปคนที่ติดในรูปติดในสีติดในรูปเนี่ยถ้าแบ่งมนุษย์เป็นสามส่วนสองในสามติดในสีติดในรูปชอบคนรูปงามสองในสามก็หกสิบเปอร์เซนต์ถ้าเสียงก็คือแบ่งมนุษย์เป็นห้าส่วน สี่ในห้าติดในเสียงก็ประมาณแปดสิบอร์เซนตแปดสิบอร์ซนติดในเสียงเอารูปแบบรูปแบบเข่งคัสที่ระบบที่เขาจัดแจงดีๆไม่ว่าจะเป็นยูพดโกงกะอะไรก็แล้วแต่ยุบนนอพ้องหนอที่จัดระบบรูปแบบใครจัดระบบรูปแบบดีที่สุดคนก็จะชอบระบบนั้นมากที่สุดถ้าแบ่งมนุษย์เป็นสิบส่วนเก้าในสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต ติดความเจ้าหมอติดความเคร่งครัดติดระเบียบติดกฎเกณฑ์กติกาชอบอันนี้ปัญญาคนปัญญาจริงๆชอบปัญญาจริงๆแบ่งมนุษย์ออกเท่าไหร่หนึ่งแสนส่วนในแสนคนเนี่ยชอบปัญญาจริงๆหนึ่งคนศ0 0 1อร์ซ ฉะนั้นถ้าปัญญาจริงๆเนี่ยคนไม่ค่อยชอบจึงจะต้องเอาเสียงเอาสีเป็นตัวล่อเอาเสียงเป็นตัวล่อเอารูปแบบเป็นตัวล่อเพื่อจะผักดึงมนุษย์เข้าสู่ปัญญาอันจะแปลกคนยิงไม่ค่อยชอบฟังธรรมะเชิงลึกเพราะฟังธรรมะเชิงลึกด้วยเหตุด้วยผลเป็นเรื่องของปัญญามีสักกี่คนที่ใฝ่ปัญญาถ้าพูด มันเป็นเหตุเป็นผลแล้วถูกต้องดีงามแต่มันขัดเคืองเราไม่ชอบไม่ถูกใจเรามันว่าเราทุกครั้งอ่ะมันมันกระแทกทิฐิเรากระแทกความเห็นเราโอ้รับไม่ได้ไม่ชอบมนุษย์เราถ้าเอาปัญญาจริงๆเนี่ยโอ้โหโดดหนีกันไปแถวเป็นแวพระเดียเด๋ยวะจะพูดอะไรก็เลยต้องพยายามพูดแบบ อ้อมๆพูดที่มันโอเคให้ซอฟๆไว้พูดเพื่อรักษาทิฏฐิไว้ถ้าพูดตรงๆกับเจอกันหมดแล้วเนี่ยกระโดดหนีแล้วไม่อยู่เลยขนาดนั้นงั้นก็พยายามเอาเอาสีพระเอาเสียงเอาสร้างบรรยากาศของวัดตัวดึงเ <c oughs> พื่อจะให้มนุษย์เนี่ยวัดตวัวสงเพื่อจะให้มนุษย์เข้าถึงไอ้ปัญญาเนี่ย พอได้รูปแบบแล้วเอา้าดึงต่อให้เข้าถึงปัญญามันก็ไม่ยอมมากันมันจะติดแค่รูปจะติดแค่เสียงจะติดแค่รูปแบบไม่ยอมละเพื่อจะเข้าถึงปัญญาโอ้โหปัญญาเป็นเรื่องยากมากทั้งๆ ท, ที่มนุษย์เนี่ยจะบริรญญะสะดดุญญทธิ์ได้ด้วยปัญญาจนะสะอาดได้ด้วยปัญญาจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยจะละกิเลสได้ด้วยปัญญาเนะจ้าไว้แล้ข้ามโอคาได้ด้วยศรัทธาพ้น พ้นทุกได้ด้วยความเพียรข้ามอันนพได้ด้วยความไม่ประมาทบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาใช่ถ้าตราบใดยังไม่ได้ปัญญามนุษย์เข้าถึงความสะอาดบริสุทธิ์ไม่ได้แต่มนุษย์เราไม่ได้เกิดมาด้วยปัญญาไงเราไม่ได้ฝ่ปัญญารักปัญญาขวนขวายสแสวงหาปัญญาตื่นขึ้นมาวันนี้จะต้องได้ปัญญาให้ได้เท่ากับเมล็ดทรายในกามือเคยขนาดนั้นไหม มันไม่เคยฝ่ายขนาดนั้นเลยนะไม่แต่ว่าเราจะฟังในสิ่งที่เราชอบก็เห <c oughs> <c oughs> มือนการกินอาหารเนะี่ยชอบไม่มีประโยชน์ไม่ชอบมีประโยชน์จะกินอะไร <c oughs> เสื้อผ้าเนี่ยชอบมากแต่ไม่มีประโยชน์แต่แต่ชอบไอ้ไม่ชอบนั้นมีประโยชน์จะใส่อะไร อยู่กับคนเนี้ยเราชอบมากคนเนี้ยแต่มันไม่ค่อยมีประโยชน์เลยเนะอยู่คนเนี้ยแต่อยู่คนนี้เราไม่ชอบเลยแต่ ม, มีประโยชน์ขออยู่คนชอบรู้สึกมันชื่นใจดีใช่ไหมไอคนคนเนี้ยมันพูดแล้วชอบจริงจริงแต่ไม่ค่อยมีประโยชน์เราเป็นสนุกเพลินแต่อีคนคนเนี้ยพูดทีไรปึกๆเลยมันทิ่มแต่ละทีเนี่ยไม่ชอบเลยแต่มีประโยชน์นชอบเฉยเีย คือเปนอย่างนี้ถ้าหากว่าเราใช้ความรู้สึกนําความคิดมันก็ได้แค่ชอบกับไม่ชอบแล้วก็เฉยเฉยเฉยเฉยมาเรื่อยเฉยมึนมึนแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวนี้สรุปที่เด่นๆก็คือชอบกับไม่ชอบเพราะใช้ความรู้สึกแต่ถ้าใช้ความรู้นํามันจะไปวิเคราะห์ว่าชอบนี้ มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ไม่ชอบมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เฉยๆเนี่ยมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์มันกลับไปชื่นใจตรงที่ไปรู้ความจริงแล้วเอาประโยชน์จากสิ่งนั้นได้มันอยู่เหนือชอบเหนือชังนี่ปัญญาใช่ไหมเช่ชอนอาหารเนี่ยไม่ชอบแต่อาหารนี่มีประโยชน์ตอนนี้ร่างกายเรามีโรคภัยไข้เจ็บเปลียบเบยอะ โอ้โหชื่นใจที่เราได้เอาของดีๆเนี่ยเข้าไปในร่างกายมันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายทั้งๆ ท, ที่ความรู้สึกไม่ชอบแต่เราได้ประโยชน์โอ้มันมันได้ประโยชน์ตรงปัญญาที่เข้าไปรู้มันเข้าไปเห็นและไปเอาสาระเอาประโยชน์มันได้ทำให้ร่างกายเราได้รับสิ่งที่ดีได้โอ้โหเนี่ย ม, มันเห็นไหมมันชื่นใจตรงที่รู้ไม่ได้ชื่นใจตรงที่ชอบหรือไม่ชอบนี่แปลว่าปัญญามันมาไอคนคนเนี้ย โพูดยาแล้วไม่กระช่อกโคกงข้างแต่รู้สึกออมันถูกมันได้ประโยชน์มันเตือนสติได้ดีมันรู้สึกทําให้เราไม่ประมาทมันอาจจะสะเทือนปึงป้งปึง้งปึ้งหน่อยแต่เออดีวะเนี่ยมันกลับเอาปัญญาเข้าไปวิจัยเอาประโยชน์จากสิ่งที่ไม่ชอบใช่ไหมในสิ่งนี้ชอบแต่ก็ไปพิจารณาว่าเออมันชอบด้วยมีประโยชน์ด้วยเออรับได้ ไม่ชอบด้วยมีประโยชน์ด้วยเออนี่ก็ยังรับได้ไม่ชอบไม่มีประโยชน์นี่ก็รับไม่ได้นี่ก็ว่าไปเห็นไหมปัญญามันจะแจกแจงแยกแย ะ, แะวิจัยมันมันไม่ได้ไปอิงชอบหรือไม่ชอบมันอิงว่ารู้แล้วก็มันได้สาระหรือไม่ได้สาระเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์มันเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นสิ่งที่ควรทําหรือไม่ควรทํามันกลับไปได้ความสุขมันได้ความชื่นใจตรงที่รู้ ไอรู้ต่างหากที่มันสำคัญที่สุดใช่ไม้มเหมือนว่าโอโ้ทางนี้ชอบมากสวยงามมากที่เราขับรถไปเนี่ยแต่หลงอาทางนี้ไม่ชอบเลยไม่ได้สวยเลยแต่มันไปถูกทางมันชื่นใจตรงที่มันถูกไนงะมันถูกทางไนงะมองอย่างนี้อยางเห็นไหมปัญญามันสำคัญที่สุดัหมจริงไม่จริง ให้ปัญญามันสูงสุดเนี่ยปัญญาเป็นเลิอดอยู่แล้วแต่มนุษย์เนี่ยที่จะใฝ่ปัญญาจริงๆรับปัญญาแสวงปัญญาจริงๆมันน้อยอย่าแปลกใจว่าทําไมเราจึงไม่พ้นทุกข์เพราะการพ้นทุกข์มันเป็นเรื่องของปัญญามันไม่ใช่เรื่องชอบหรือไม่ชอบแต่เราเนี่ยดำเนินชีวิตด้วยความรู้สึกถามว่าตอนที่เราเลือกแฟนครั้งแรกเนี่ยเราเลือกอะไรเราชอบใช่ไหมล่ะเออเราชอบ มันไม่ได้เอาความรู้ไปเลือกถ้าอาความรู้ไปเลือกป่านเนี้ยมันไม่เป็นแบบนี้หรอเข้าใจยังเห็นไหมวันกรณีบางทีเราไปมองเรื่อง เรื่องความชอบหรือไม่ชอบชีวิตทุกวันนี้เป็นอย่างนี้ด้านความรู้สึกด้านความรู้สึกยังต้องมีปัญหาตรงที่ว่าต้องขาดการวิจัยอย่อะแยะขาดใช้ปัญญาไปไปตรวจสอบนั่นเรื่องปัญญาจึงสําคัญถ้าใครดาเนินชีวิตด้วยความรู้เมื่อไหร่แล้วคนคนนั้นก็เริ่มปลอดภัยแล่อยู่เหนือความชอบความชังใช่ไหมชอบบางทีดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ชัง หรือไม่ชอบดีก็ได้ไม่ดีก็ได้แต่ถ้าเอาความรู้สึกแล้วปุ๊บไม่สนนะ่ะฉันชอบ <c oughs> ใช่ไหมไม่สนจะอะไรก็แล้วแต่ฉันชอบอ <c oughs> ชมไหมการดําเนินเหมือนอาหารเนี่ยจะกินในเนี่ยทำมันก็ชอบอ่ะ <c oughs> ทีนี้ถ้าปัญญามาบอกไม่เป็นไรชอบเนะี่ยไม่มีปัญหาจะบอกกับความรู้สึกเลยบอกว่านั้นขอตรวจสอบก่อน มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ถ้าบอกว่ามีประโยชน์บอกโอเคยอมรับได้อนุญาตเนี่ปัญญามันจะอนุญาตให้กินได้แต่บอกตรวจสอบแล้วไม่มีประโยชน์เลยตัณหาบอกฉันชอบปัญญาบอกไม่ได้เพราะอะไรไม่มีประโยชน์มันจะซื้อบ้านเหมือนกันฉันชอบมากสไตล์แบบนี้โมเดิร์นมากโมเดิร์นมากชอบจริงๆปัญญาบอกฉันขอตรวจสอบก่อน แล้วก็ตรวจสอบโอเคมันเหมาะแก่สภาพสังคมนี่ไหมอุตุเป็นยังไงดินฟ้าอากาศทางนี้เป็นยังไงลมพัดทางไหนยังไงระบบน้ำระบบปลาปาระบบทางไงดูทุกส่วนเลยเมื่อตรวจสอบจนครบท้วนเท่าที่ปัญญาจะตรวจสอบปัญญาบอกว่าโอเคอนุญาตชอบด้วยแล้วดีแต่ถ้าหากว่ามันชอบและไม่ชอบอย่างเดียวจบเลย เห็นปั๊บไม่ต้องไปคิดยังพิจารายังอื่นเลยผมไม่ชอบไม่เอาชอบเพิ่งจะเอาพอชอบเสร็จก็ปิดเลยแต่ถ้าปัญญาแม่ปัญญาบอกไม่ได้ฉั้นปัญญามาคนโทุมความชอบหรือไม่ชอบมากํากับทันทีโอ้โหชอบร้านอาหารนี้แล้วเกินโอ้โหสวยบรรยากาศดีมากปัญญาบอกเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนว่าอาหารที่เขาทาเป็นยังไง ขอตรวจสอบดูที่ดูการทำอาหารดูการปรุงการลดระบบเป็นยังไงโอเคบรรยากาศดีด้วยอาหารโอเคด้วยเหมาะสมกับสุขภาพด้วยทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยแล้วก็ไม่ได้มีสารตกค้างอะไรต่างดูรายละเอียดไปเสร็จออนุญาตใช่ ไ, ไแต่ถ้าว่าชอบอย่างเดียวแต่ดูแล้วไม่มีประโยชน์เลยปัญญาบอกไม่ได้ มีปัญญามันนั่งแท่นเลยเด็ดขาดเลยไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ปัญญาก็ให้ผลหนึ่งตอบมาให้ตัณหาตอบมาอา้าวถ้าร่างกายพังขึ้นมาตัณหารับผิดชอบไหมสุขภาพอ่อนแอมาตัณหารับผิดชอบไหมมีสารพิษขับปนเพื่อนในร่างกายทําให้ร่างกายอ่อนแอตัณหารับผิดชอบได้แค่ไหนไล่หนึง่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปงงตัณหาบอกอ่ะยอม <laughs> ตัณหาไปยอมปัญญา คือมันวัดได้อย่างนี้สมมุตินะว่าเรานี่ออกกำลังกายร่างกายแข็งแรงแล้วดูแล้วเนี่ยน้ำตาลขนาดนี้แป้งขนาดนี้ไม่ได้มีผลร่างกายเราเบิดนออกได้ขับออกได้ง่ายนิดเดียวไม่มีปัญหาอา้าวตามใจมันได้อ้ตั่หาแค่นี้แต่ก็รู้ด้วยนะว่ามันขยะ <c oughs> <c oughs> อา้าวกินเข้าไปแต่เป็นแบบนี้ แต่คุณจะต้องไปเบินเท่าไหร่ไปต้องไปจัดการเท่าไหร่ฟังกันเถอะนี่ปัญญามันมาจัดการบ่งบอกอย่างเงี้ยเห็นไมปัญญามันเด็ดขาดเพราะะนั้นถ้ารู้อย่างนี้ทำหน้าที่อย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรร ม, มไหมเห็นไหมปฏิบัติธรรมมันเป็นแบบนี้โอ้มันมาแล้วตรวจสอบทุกเรื่องได้เลยเพราะมันรู้แต่ถ้ายังไม่รู้อ้าวพึ่งคนรู้ ช่วยบอกหน่อยสิมีอะไรบ้างไล่มาตึงต้งตึงต้งตึอย่างฉันเองที่ไม่รู้เลยทุกวันเฮ้ hey, ชยช่อ่านหน่อยดอิอ่านหน่อยดิมาอ่านฟังโอเคดูสภาพร่างกายช่วงนี้เราออกกําลังกายไหมร่างกายแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงยังไงวันนี้เราจะกินไขมันขนาดนี้กินของหวานขนาดนี้กินไอสเคเมกินอะไรต่างขนาดนี้วหวไม่ไหวยังไงดูตัวเอโอเคได้ <laughs> แต่วันนี้โอเคมากไปแล้วมากไปแล้ว พอพอพ อ, อยอมมนาะถวายเราพิจารณารับให้แล้วนนเนี่ยเอ๊ไหวไม่ไหวบอกย้อมมากแล้วพอแต่รับแล้วเป็นบุญด้วนะยอมนะมันอยู่ที่พระรับหรือไม่รับเอารับนี่นไหมมันชัดเจนเนะปัญญาไม่ใช่หรอร่อยมากขอสักหน่อยด้วยน่าจะไม่มีอย่างนี้นพอชัดเจนเนี่ย จะใช้ปัญญาเป็นตัวนำอย่างเันลูกอ้อนแม่จะซื้อนั้นซื้อนี่อะไรต่างๆดีลูกอ่ะบอกข้อดีหน่อยให้แม่ฟังหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าบอกข้อเสียหน่อยที่คิดไม่ออกนั้นนแม่บอกหนึ่งตสามสี่โอเคนี่มันเป็นอย่างเงี้ยเลยถ้าลูกซื้ อ, อแบบชอบมันจะเป็นเงนี้ไม่ชอบเป็นอย่างงี้อยู่กับชอบหรือไม่ชอบ แต่จริงๆแล้วคือข้อมูลคือเป็นอย่างนี้ประโยชน์เป็นอย่างนี้อะไรต่างโอเคยิบ okay. หนาเลยด้ถ้าอยากจะได้ตรงนี้แต่ลูกต้องเข้าใจมันนะว่านี่คือความต้องการแต่ความต้องการเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงเลยไม่เคยมีอะไรคงทนมั่นคงเลยเดี๋ยวมันอยากได้อะไรยี่ยิ่งขึ้นไปตั้งแต่สมัยลูกเล่นกกตุ๊กตาตุ๊กตามาแล้วดูทีหนึงทิ้งเขขะเต็มไปหมดเลยแล้วชีวิตเรามันเป็นแบบนี้ก็บอกชี้ก็เห็นว่าจริงๆมันคืออะไรเราตามใจมาตลอด มาวันใดวันหนึ่งเราควรจะเราควรจะคอนโทรมันได้บ้างไม่ใช่ตามใจมันจนตลอดชีวิตถ้าชีวิตเรามาตามใจแค่ตัณหาแค่มานะแค่ทิฐิอย่างนี้ชีวิตก็ไม่ปลอดโปร่งก็ไม่เป็นอิสระก็ไม่โลง่งก็ไม่มีเสรีภาพอย่างแท้จริงเราก็เป็นได้แค่ธาตุของมันในะลูกเนยะอ่าสอนอย่นี่ก็สอนแนะนําเรื่องธรรมดาเนี่แหละโอเคแม่ไม่ได้ว่าเนะ่แต่ที่เห็นว่าเนี่ยมนุษย์โดยส่วนใหญ่เป็นแบบเนี้ยแล้วมันก็ไม่ไม่ประเทืองปัญญาไม่ส่งเสริมปัญญา ให้พัฒนาตัวปัญญาองค์ความรู้ทำไมของเช่นนดนี้มันขายได้ทำไมคนขายมันรวยคนซื้อถึงจนอ๋อเพราะเราไม่ใช่นักคิดไม่ใช่นักผลิตเราเป็นนักเสพยอมอยากจนก็เสพลูกอยากจนก็เสพอย่าไปคิดอย่าผลิตแต่คนคิดคนผลิตทำไมรวยะอ๋อมันเป็นนักคิดนักผลิตแต่พวกเราเป็นนักเสพนักบริโภคนี่ก็เรียกบริโภคนิยมไงโยกก็บกอยก็ <c oughs> มันต้องเป็นนักปริติมันต้องนักคิดสิใช่ไมก็คือปัญญานั่นเองใช่ไหมล่ะก็คือปฏิบัติธรรมเห็น <c oughs> ไหมปฏิบัติธรรมมันดีอย่างนี้มันไม่ได้มันอยู่มันไม่ได้อยู่แบบมนึมนๆงงๆในโลกใบนี้อยู่อย่างเข้าใจอยู่อย่างรู้รู้เท่าทันโลกและชีวิตตามความเป็นจริงด้วยตามที่มันเป็นด้วยไม่ได้มายอมใจตัวเองแล้วก็เอียงกระเทะเล่แล้วก็อยู่กับความเห็น ไอความจริงมันก็คือความจริงไงความจริงหนูออกไปข้าง น, นอกเนี่ยยี่สิบแปดถึ ง, 30, 30งสามสิบสามสิบองศาสามสิบองศาเนี่ยสามสิกว่าที่ซ้าไปนี่คือความจริงนะนี่เรามาเไหมเนี่ยอันนี้ก็สิ่งที่เรามนันรู้สามารถจะทำได้ตามศักยภาพแต่ความจริงก็คือความจริง แตความจริงต่างหากที่มนุษย์จะต้องเข้าใจมันแล้วความจริงมันเปลี่ยนตัวมันยังไงช่วงฝนตกเป็นยังไงฝนตกเป็นธรรมชาตินะมันเป็นธรรมชาตินะฝนตกอแล้วก็เป็นหน้าที่มันเป็นธรรมะอนั่นแหะเมื่อมันเกิดปรากฏการเกิดพายุฤดูร้อนเป็นอะไรก็แล้วแต่เถอะ มันเกิดการที่ดินน้ำไฟลมมันเกิดการแปลปวนกันขึ้นมาเบียเสด็จมันก็เปินเกิดการฝนมันก็ต้องตกมันก็ทําหน้าที่ของมันธาตุดินเป็นยังไงธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมยังไงเป็นต้นมันเกิดการปะทะกันยังไงเบีดเสด็จทั้งเย็นและร้อนทั้งหลายเหล่านี้ยมันก็ดึงดูดทาให้เมฆฝนมันตกลงมาใช่ไหมตามปรากฏการธรรมชาตินั้นๆนี่คือเป็นธรรมะเป็นธรรมชาตินั้นี่ยมันเป็นก็อย่างเงี้ยเหมือนโลภะเนี่ยเวลาไปเกิด เวลาเกิดขึ้นมามันก็ติดใจโทสะเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่พอใจโมหะเกิดขึ้นมาก็ฟุง้งซ่านลังเลสงสยัยมันเป็นธรรมชาติเป็นแบบนี้ถ้าสติเกิดขึ้นมามันก็ตั้งตัวได้ระลึกไม่ประมาทถ้าสมาธิเกิดขึ้นมาก็ตั้งมันถ้าปัญญาเกิดขึ้นมาก็รู้และเข้าใจโลกและชีวิตตามที่มันเป็นแต่ว่าใครยังให้เหตุปัจจัยให้ธรรมะเกิดหรืออาธรรมเกิดถ้าเราฉลาดก็ทำหน้าที่ด้วยปฏิบัติธรรมะไปด้วย ถ้าไม่ฉลาดก็ทำหน้าที่โดยไม่รู้เรื่องอากุศลก็เกิดบาปก็เกิดทุจริตก็เกิดก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเสีทีรอจังหวะเมื่อไหร่จะเข้าคอร์สอยู่นี้เขาจะ